อีลลุห์ الرحمن الرحيم อ ن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضل فلا هادي له و َ ش َ ر ُ و ْ ع ا ل ل َ ه ا ِ ل َ ا ا ل ل َ ه ُ وَحْدَهُ لَا ش َ ر ِ ي ك ل ه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم ب ك أصبحنا وبك أمشينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أعوذ ب كلمة الله ت ا م, م ا, أ ت م ش ر م ا خلا بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء วอุสซามีอ <kaufen> ัลอาลีมรดีดุบิละห์รับบ์วบิลิสลามดีน่าวบิมุฮัมมัดรัสโวละซุลามุอะลัยุมมะรห์มัตุละห์วบารักาตุท่านบิโนะมุสลิมีและมุิมที่รักทั้งหลายครับก่อนอื่นเราต้องรำลึกคิดถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ سبحانه และุละห์ มืคิดถึง a l l นี่ให้กล่าวว่าอย่างนี้อัลฮัมดุลิลลาห์หรือ a l l อ u m m a ลกัลฮัมดุวัลกัลชุครการสรรเสริญหรือการขอบคุณนั้นเป็นของ a l l h س ب ح ววละก็ตาาเราต้อง ข, ขอบคุณ l l a h س ب ح ا ละตาาที่ Allah ให้เรามีโอกาสมานั่งมารวมตัวกันที่อัญูมัน ที่ตึกอัญมันเพื่อที่จะมาพูดคุยกันเพราะว่าผมนําเอากุรานสุรออัลมุลกมาอธิบายให้ท่านพี่น้องฟังต้องขอบคุณอัลลอฮ์นะพี่น้องเพราะว่าหลายคนเนี่ยเป็นมุสลิมมานานแล้วอ่านกุรานบางคนก็ตัมัดมาแล้วนะจบแล้วแต่ว่าถามว่าเคยรู้ความหมายของอัลกุรานไหม ยังไม่รู้บางคนก็อยากจะเรียนเพิ่มเติมบางคนก็พอแล้วอ่านคุรอานตามัดแล้วพอแล้วแต่เราต้องขอบคุณอโลดนที่เราได้มีโอกาสมารวมตัวกันแล้วมาอ่านคุรอานเนี่ยซุลรออัลมุลกพี่น้องครับซุรออัลมุลเนี่ยมีทั้งหมดสามสิบอายะคนที่อ่านซุลรออัลมุลทุกคืน นัอ่านอัลกรุรอานสุรอัลมุตเนี่ยทุกคืนพีน่น้องก่อนจะนอนนะเอากรุรอานมานั่งอ่าน <c oughs> ประมาณสามสิบอายะอัลลอฮจะรักษาเขาไม่ให้ถูกลงโทษที่สุสานพี่น้องครับดีไหมดีครับใครเล่าให้เราฟังเรื่องอย่างนี้คิดเองได้ไหมไม่ได้ครับท่านนาบีมุฮัมมัดสุลล็อห์นะมูสลัมเล่าให้เราฟัง คุณอานนะครับเพียงสุระเดียวนะสุระอัลมุลเนี่ยพี่น้องถ้าอ่านอยู่เป็นประจำอลัลลอฮฺจะไม่ให้มีการลงโทษขณะที่เรานอนอยู่ในสุสานทีนี้อ่านกุรา น, นี่พี่น้องต้องรู้ความหมายด้วยนะพี่น้อง <c oughs> ต้องรู้ความหมายแล้วคนที่อ่านคุรานสุระอัลมุลเนี่ยที่อลัลลอฮฺจะไม่ลงโทษ ขณะที่เขานอนอยู่ในสุสานนี่พี่น้องไม่รู้ว่ากี่พันปีที่อรรรไม่ลงโทษแต่ต้องเป็นคนที่คข่งขัดาศาสนาด้วยต้องรู้จักเรื่องเตาวเหตุต้องรู้จักเรื่องชีริกตกอ่างออกห่างเรื่องชีริกนะครับอย่าทําของที่ท่านนาบีไม่ได้ทําเรื่องทำบิดาอย่าทา ให้ทำดีกับพ่อแม่ให้นามาตย์ให้ครบวันละห้าเวลานะครับต้องรักษานามาตย์สุนนะโมอักคดาวันละสิบลักอาหรือสิบสองาักขามีเงินนะครับสามารถที่จะซื้อตัว๋วเครื่องบินไปประกอบพิธีฮัทระอุมมรอก็ต้องไปความดีอื่นๆต้องเคร่งคัดาศาสนาและอ่านอัลกุรอานสุรนี้ช่วยได้เยอะครับพี่น้องทั้งหลาย ช่วยเราไม่ให้ถูกลงโทษขณะที่เรานอนอยู่ในสุสานเราอ่านกุรอานมังครับวันนี้มาถึงอายะที่26อ่ากุลอินนัมลอิลมุอินดะลอว่าอินนัมอานาณีรุมมุบินกุลอินนัมละอิลมุอินดะลอ ว่าอินนัมอานานาซีรุมมูบีนเรียอขยะาเดียวพอพี่นะ้องขยะาเดียวพอแล้วก็ต้องอธิบายเสริมกุลกุลนี่แปลว่าอะไรนะจงกล่าวอัลลอฮ์สั่งให้ใครกล่าวรู้ไหมบอกกับใครนะ บอกับท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลันมุสลัมเพราะกุลอ่านเรื่องนี้อัลลอฮฺประทานลมาให้กับท่านนาบีมุฮัมมัดคนเดียวมุฮัมมัดเอ๋ยกุลจงกลา่าวคำว่ากล่าวเนี่ยจงสอนจงตัปลีจงด่าว่าจงพูดมุฮัมมัดเอ๋จงพูดพูดพู ด, พดสอนสอนสอนด่าว่าตัปลีกับประชาชนประชาชนในวันนั้นก็คือบรรดาสาุฮับบะท่านนาบีมีใครบ้าง ที่เป็นหัวหน้ารอกาท่านน บ, บีก็คือท่านอบูบัก ร, รดิยัลลอฮอันดท่านอุมัรยัลลอฮอันท่านอุสมานรยัลลอฮอันท่านอาลีรยัลลอฮอันเป็นสัฮาบะชัน่นท่านแนวหน้าแล้วก็ทำงานาศาสนาของอัลลอ์ทั้งหมดอัลลอฮ์สั่งให้นบีนี่นะพูดบอกว่ากุลมุฮัมมัดเอ๋ยจงพูดอินนามะลายลูมูอิญดัลลออฺอลายลูแปลว่าความรู้ ความรู้ความรู้ที่ถามเนี่ยรู้ว่าความรู้เกี่ยวกับอะไรความรู้เรื่องวันสิ้นโลกความรู้เรื่องวันกิยามัดจะเกิดขึ้นเนี่ยจะเกิดขึ้นเมืออ่อไรเพราะมีคนถามท่านนับีเยอะชาวบ้านเนี่พี่น้องบรรดาซอฮาบะา์นบียบางทีกับกาฟเฟสบ้างมุสลิมบ้างพวกยิวบ้างพวก นาซรอบ้างพี่น้องห้ากลุ่มนี้เป็นศัตรตูของอิสลามพี่น้องเฝ้าถามนาบีว่าวันกิยมามะน่ะมีจริงหรือเปล่าวันกิยมามะมีจริงหรือเปล่านี่คือน้องเป็นเรื่องใหญ่นะสาหรับพี่น้องมุสลิมทุกคนต้องเชื่อว่าวันกิยมามะมีจริงเพราะว่าหลักอิมานรุกนอิมานเนี่ยมีทั้งหมดกี่ข้ อ, ขอนะพี่น้องหข้อรุกลอิสลามมีห้า รุกลอนอิมานมีหกรูกลอนอิมานเนี่ยมาถึงหลักการเรื่องความเชื่อที่อยู่ในใจไปน้องมีหกข้อไปน้องข้อที่หนึ่งอะไรครับอามัณตุบิลละฉันอีมานต่ออ AH. ัลลอฮ์แต่ส่วนใหญ่นี้นะครับไปหข้อนี่มองไม่เห็นตัวเลยสัมผัสก็ไม่ได้มองก็มองไม่เห็นอ้าวใครเครเห็นหน้าอัลลอฮ์ไหมเคยไหมไม่เค ย, ย, เคยแต่เชื่อว่าอัลลอฮ์มี อามันตูบิลลาฉันเชื่อในอัลลอฮ์อง์เดียบว่วามาลาอิกาตีฮีเชื่อว่ามาลาอิกามีนี่นั่งอยู่กับพี่น้องทุกคนนั่งอยู่กับผมด้วยมลาลิกานั่งอยู่ครับคอยเก็บบันทึกความดีความชั่วแล้วมลาลิกาที่อยู่กับเราคอยปกป้องเราไม่ให้มีภัยอันตรายไปเนองที่นั่งรถมาจากบ้านเนี่ยไปน้องทามาลาอิกาไม่คุ้มครองนะป่านนี้เราอาจจะถูกอัซิเดน แต่ น, นี่เราปลอดภัยพี่น้องใครคุ้มครองลนะครับอัลลอฮ์คุ้มครองโดยให้มลายิกามาคุ้มครองข้างหน้าข้างหลังเรามองไม่เห็นพี่น้องแต่ถ้าอ่านจะกูอ่านจะรู้ทันทีว่าโอ้อัลลอฮ์ส่งมลายิกามามาคุ้มครองเราไม่ให้พบกับอันตรายมลายิกาพี่น้องครับทันจิบรีอะไรฮิสลามเนี่ยพี่น้องมีเปกมลายิกานี่มีเปกนะหกร้อยเปก หม oh, พี่น้องไหวขนาดไหนอ่ะ <c oughs> ขึ้นข้างบนเข้าเฝ้าอัลลอฮ์ลงมาพี่น้องถ้าใช้พวกเราเดินในพี่น้องห้าร้อยปีขึ้นห้าร้อยปีลงเท่าไรก็พันปีนะแต่มาลายกาชิบรีนขึ้นไปเข้าเฝ่าอัลลอฮ์กันลงมาหาท่านนาบีแป๊บเดียวพี่น้องข้อห้าหกร้อปีนะ่ะพี่น้องคิดดูสิ ยิ่งใหญ่ขนาดนาันนี่จินตนาการเกินความสามารถของเราพี่น้องแต่อัลลอฮ์เล่าให้นบีฟังนบีมาอธิบายให้พวกเราฟังพี่น้องอีมานต่ออัลลอฮ์สอง إيمان ต่อมลอัลาัยกะสามอีมานต่อรอซูลของอัลลอฮ์รอซูลที่มาในโลกนี้ที่เป็นนบีที่เป็นรอซูนนะ่ะรวมกันแล้วพี่น้องยี่สบห้าท่านที่มีชื่ออยืนตักุบอราน ที <mile> ่ไม่มีชื่ออีกนะครับเป็นแสนเราไม่รู้นี่อัลลอฮ์นบีเล่าให้ฟังนะครับรอซูลหรือนบีที่อัลลอฮ์ไม่ได้เอ่ยชื่อเป็น้องมีเป็นแสนแสนที่เอ่ยชื่อมียุ่ยยี่สิบห้าท่านเองคนแรกคือนบีอาดัมคนที่สองนบีมุฮัมมัดสุลลัลอะไรวะซัลลาหเป็นนบีท่านสุดท้ายหลังจากนบีมุฮัมมัดไม่มีนบีแล้วเป็นน้องเราอิหมานเราเชื่อ ข้อทีส่สพี่น้อง إ ي م านต่อคัมภีร์ของอัลลอฮ์คัมภีร์อัลกุรอานเป็นคัมภีร์ของอัลลอฮ์เล่มเดียวที่หลงเหลืออยู่แล้วก็ยังไม่มีการสังคยนาแก้ไขปรับปรุงไม่มีครับพี่น้องเพราะอัลลอฮ์รักษาแต่เพียงผู้เดียวก่อนหน้าคัมภีร์อัลกุรอานมีคัมภีร์อยู่สองสามเล่มที่มาザบูตยะザอินจีนะบูตตาราะสามเล่มที่มาก่อนหน้า ก่อนหน้าพวกเรานี้นะครับถูกสังขยาถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงไป น, น้องแต่คำพีกุราณาานีไปน้องยังไม่มีการสังขยาแก้ไขเปลี่ยนแปลงเลยเพราะอัลลอฮ์รักษาส่วนคัมภีร์อีกสามเล่มนั้นอัลลอฮ์ให้ให้ผู้รู้ของฝ่ายยิวผู้รู้ของฝ่ายคริสเตียนให้รักษาดูแลคมภีรไบเบิลแต่รักษากันไม่ได้ ไปเปลี่ยนของอวโลกสุภานาหั ว, วตาละฉะนั้นอัลลอฮ์เลยประทานอันกรุณา ล, ลงมาเป็นเล่มสุดท้ายอัลลอฮ์ประกาศแล้วว่าฉันขอดูแลเองแต่เพียงผูด้เดียวครับนี่กุณอา่านอธิบายไว้ชัดพี่น้องเราต้องเชื่อนะว่าคัมภีร์ก่อนหนะ้ากรุานะ่ามีไหมมีแต่คัมภีร์กรุณาลเล่มนี้เนี่ยอัลลอฮ์ประทานให้กับเราใครรักษาอัลลอฮ์รักษาวิธีการรักษาของอัลลอฮ์เนี่ยฉลาดดีมาก ในเมืองไทยนี่พี่น้องมีเด็กที่ท่องจาอาําอัลกุรอานเนะมื่อ20ปีที่แล้วนะประมาณ 400,000 คนแต่ตอนนี้นะมันไม่ขึ้นเป็นล้านเลยพี่น้องครับแล้วทั่วโลกนี่นะครับคนท่องจาํากลุ่อ่านเท่าไหร่ในอินเดียเยอะในปากีสถานก็เยอะในพม่าก็เยอะในโลกอาหรับอีกพี่น้องในรัสเซียในจีนท่องจำกุ่าอ่านกันเด็กรุ่นใหม่ใหม่ม แล้วก็คนที่ท่องจําอัลกุรอานนี้นะครับแล้วก็ปฏิบัติตามอัลกุรอานด้วยไม่ตกนรกครับอัลลอฮ์ให้เข้าสวรรค์หมดครับพี่น้องทุดรองว่า إ ي م านต่ออัลลอฮ์ إيمان ต่อมาลายกิก้า إ ม م ا ن ต่อละซุน إيمان ต่อคัมภีร์ห้า إيمان ต่อวันสิ้นโลกนี่อาย่านี้นะครับวันเกียรม่ามีไหมมีครับวันเกียรม่มีก็คือโลกใบนี้จะหมดอายุ โลกใบนี้หมดอายุนบีมาสอนว่าโลกดุนยาแปลว่าหมดอายุไม่ช้าคนบนโลกดุนยานี้จะตายหมดโลกใบนี้จะพินาา ด, ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์นะครับดวงดาวจะร่วงลงมาแผ่นดินภูเขาจะระเบิดพี่น้องแล้วก็ น, น้ําใน ท, ทะเลจะกลายเป็นไฟทั้งหมดนั่นคือสัญญาณวันเตียมะนบีเล่าให้ฟังพี่น้องผ่านอัลกุรอาน แต่คนกาเฟตคนมุสลิกอย่างน้อยห้ากลุ่มพี่น้องไม่เชื่อว่าจะมีวันสิ้นโลกก็ถามท่านนาบีว่าถ้าวันสิ้นโลกมีกล็ลองลองเซิบเซิฟให้เห็นหน่อยไม่ได้ฉันจะได้เชื่อจะได้อีมานต่อท่านนาบีมหามะศุลละมัสลัมนบีก็บอกว่าฉันเล่าได้เฉพาะเครื่องหมายก่อนจะถึงวันสิ้นโลก่ะฉันจะเล่าให้ฟัง มันมีสองเครื่องหมายใหญ่ๆนะเครื่องหมายเล็กกับเครื่องหมายใหญ่เครื่องหมายเล็กทนพะีอธิบายไว้เยอะพี่น้องผมขอยกตัวอย่างคนจะทําสีนากันมากขึ้นนี่เป็นเครื่องหมายวันเกียยมาจะอยู่กันโดยไม่ต้องแต่งงานพี่น้องกระจริงไหมลนะ่ะจริงไหมจริงครับไปดูที่บอพวกดาราลงซื้อพิมเล้นาพี่น้องไม่อายเลยนะ ทองแล้วสามเดือนยังไม่ได้แต่งโดนมืสือพิมพ์เดี๋ยวจะนัดแต่งงานอแหวนมั่นราคาสิบล้านเห็นไหมนั่นน่ะพิดหมดเลยครับพี่น้องมาได้มาจากอาลัลลอฮ์เราคิดเองทําเองพี่น้องเรื่องทั้งหมดที่เรากลัวกลัวลูกหลานเราวันนี้ที่เรียเออนเฉพาะสามัญศาสนาไม่เรียนนะครับไปเจอโอ้ดาราคนนี้สวยทองแล้วสามเดือนยังไม่ได้แต่งงานเลย ลูกหานเราอ่านชนัอพิมพออ์ดารานี่คนเชียร์ทั้งทั้งประเทศเราก็ต้องทำตามดาราบ้างท้องก่อนสามเดือนแล้วค่อยแต่งงานทีหลังเห็นยังกับพี่น้องถ้าหาไม่เรียนศาสนานี่นะพี่น้องโลกดุนยาใบนี้หลอกครับพี่น้องพี่น้องครับแต่ท่านพี่น้องอ่านกูอ่านไปเจอพบเนี่ยว่าโลกดุนยาใบนี้อิทธิพลสูงมากครับ ทำให้คนไม่มีศาสนามีหน้ามีตาทำให้คนที่หันหลังให้กับศาสนาไื่น้องเด่นหมดเลยแม้แต่ทองก่อนแต่งก็เด่นใช่หรือไม่ใช่ใชต้องซื้อทิ้นลงอะทีวีก็โฆษณาเนี่ท้องก่อนแต่งสามเดือนแล้วเดี๋ยวไปมั่นกันทีหลัง โอ้พี่น้องยังยังไม่พร้อมที่ที่จะแต่งงานแต่ท้อก่อนไม่มีปัญหาพูดทุวันทุวันทุวันเด็กมุสลิมฟังพี่น้องศาสนาอ่อนด้วยเออที่เรียกว่าเกตเกตฮะเดี๋ยวฉันจะเอาบ้างอะรูปแบบนี้แหละพี่น้องครับโลกดุรยาไปนี้หลอกคนได้ง่ายได้ที่สุดรวมไปถึงผู้หญิงดาราพี่น้องที่เดินแก้ผ้ากันพี่น้องที่ลอนดอนนุ่นพี่น้อง ที Thailand, country, here, here. No Duke, ่เมืองไทยก็ม uh ีฟ huh> ิลิปปินส์กมีทุกประเทศพวกดาราเดินแก้ผ้าพี่น้องปิดติดเดียวไม่อายนะพี่น้องทำไมครับเพราะว่าโฆษณาหนีพี่น้องครับโลกดุญญยาไปนี่ทำให้คนหลงเยอะไปหมดครับพี่น้องถ้าไม่เรียนอัลกุรอานเครื่องหมายวันเกียมาขอเล่าสักห้าข้อพอข้อที่หนึ่งคนจะทำซีนากันเยอะข้อที่สองลูกจะทรยศต่อพ่อแม่เพิ่มขึ้น สังเกตอยู่สิครับตัวเราเองทรยศแต่พ่อแม่ป้าถ้าทรยศต้องอัสตาฟิุลลล์ทำไมไม่เดินตามนาบีข้อที่สามครับพี่น้องคนนี่จะชอบเลี้ยงสุนัขมากกว่าชอบเลี้ยงลูกผมไปออกกำลังกายที่สูนหลวงรอเ ก, ก้าชอบเดินพี่น้องจูงหมาในโก้ ตะจูงลูกนี่ไม่โก้เลยไน้องไม่เห็นมีใครจูงเด็กี่น้องที่จะจูงสุนัขจูงดอกโอ้โหเดินกันเกินแล้วก็พี่น้องบางคนกระอุ่มหอมซ้ายหอมขวานองดีมิอะไรดมีอลไใครทาหลงนถึงขนาดนี้พี่น้องเรามองเนทานเป็นมุสลิมมีาศาสนามองดูอ๋อนี ท่านนาบี Muhammad สอนมาแล้วเครื่องหมายวันเกียรมาอันหนึ่งก็คือคนจะชอบเลี้ยงสุนัขมากกว่าชอบอุ้มลูกตัวเองข้อที่สพี่น้องของมืนเมาเนี่ยจะเสพเป็นเตมไปหมดคัดพี่น้องหลายถ้าจริงเลยไนมะ่จริงครับเฉพาะงานมัสยิดอย่างเดียวเท่านั้นที่ไม่มีเบียรเหล้าบริการนอกนั้นทุกงานมีเหล้าเบียใช่ไหม งานวัดก็มีงานโบสถ์ก็มีพี่น้องงานแต่งงานก็มีงานตายก็มีงานเผาก็มีพี่น้องแต่เฉพาะงานมสัสยิดอย่างเดียวมีกลุ่มมุสลิมอยู่กลุ่มเดียวที่รักษาอิสลามอยู่วันนี้ครับพี่น้องทั้งหลายทหารพวกเราไม่เรียนาศาสนาถูกหลอกพี่น้องนึกว่านั่นแหละคืออิสลามนั่นแหละคือของจริงจริงชีวิตแต่ไม่ใช่ครับพี่น้องนั่นถูกหลอกหมดเลยครับข้อที่หครับพี่น้องทั้งหลายนะครับ เรื่องใหญ่มากก็คือข้อที่หนึ่งอะไรนะอะไรนี่ลืมไปแล้วเรื่องเรื่องศีนาสองทรยศต่อพ่อแม่สามอ่ า, อาลอกชอบเลี้ยงสุนหักมากก็ชอบเลี้ยงลูกข้อที่4ีอะไรนะของมืนเมาข้อที่ห้าพี่น้องครับ <c oughs> คนนี้นะพี่น้องจะหันหลังให้กับศาสนาทั้งหมด หันหลังให้ศาสนาเกลียดเกลียดหลับการเกลียดหมดนะครับเกลียดอลกนอกเกลียดรอซูลนพี่น้องไม่เอาซุ่นหนะไม่เอารอซู่นพี่น้องอยู่ตามปฏิบัติตามใจตัวเองนี่หาข้อพี่น้องครับนี่เล่าให้ฟังนะมีมีเป็นร้อยพี่น้องเอาอารามัดใหญ่อารามัดใหญ่เครื่องหมายใหญ่นี่มันเล็กๆพี่น้องอารามัดใหญอะไรรู้ไหม จะมีสัตว์ตัวหนึ่งโผล่ออกมาจากระหว่งางกะบะกับบ่อน้ำำํำซาๆเกิดที่มกักกะพี่น้องครับสัตว์ตัวนี้นั่นก็เรียกว่าดาบตุลอาตจะมีสัตว์ตัวหนึ่งโผล่ออกมาจากตรงนั้นที่ระหว่างน้ําบ่อน้ํำซาๆกับกะบะพี่น้องโผล่ออกมาสัตว์ตัวนี้ครับพี่น้องทั้งหลายจะพูดได้ เราก็จะเดินไปทั่วโลกไปน้องจะไปประทับตาที่ที่เนี่ยที่เนี่ย ท, ที่ที่หัวนี่ที่นาฬิกาเนี่ยคาเฟ่穆斯林คาเฟ่ลิมคาเฟ่ลิ ม, า ม, ลมบางทีบ้านหนึ่งมีสองสาศาสนาผัวเป็นคาเฟ่เมียเป็นมุสลิมเพื่อให้รู้จะชัดๆไปน้องครับนั่นเป็นอารมั์ใหญ่ที่สุดที่จะเกิดขึ้นก่อนวันตียมัอีกข้อหนึ่งนะครับดวงอาทิตย์จะขึ้นทางทิศ ต, ตะวันตกตอนนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศไหนครับทิศ ต, ตะวันออกอยู่ กูรอ่านสอนอัลลอฮ์สอนนบีสอนนะครับเครื่องหมายวันเกี่ย ม, มัดที่ยิ่งใหญ่ข้อหนึ่งก็คือดวงอาทิตย์จะโผล่จากทิศ ต, ตะวันตกเมื่อดวงอาทิตย์โผล่จากทิศ ต, ตะวันตกเมื่อไหร่กันไปน้องใครอยากคิดจะกลับตัวฉันจะอีมานต่ออัลลอฮ์ฉันจะอีมาต Allah, นมาต่อระซูลฉันจะเชื่อหลักหกข้อตามอิสลามสอนอลัลลอฮ์ปิดประตูแล้วโน no, ไม่ให้ใครแลเพื่อน ไอ้พกเราปลอดภัยหมด ม, มีที่นั้งอยู่นี่ปลอดภัยหมดแต่ไอ้ลูกหลานเราที่พี่น้องเนี่ยบางคนก็รอให้ดวงอาทิตย์ขึ้นทั้งทิศ ต, ตะวันตกก่อนพอขึ้นปับ๊บจะกลับตัวใช่ไหมไปหาตัวครูหาตัวอิห ม, ม่ามช่วยสอนกะลือมากผมนวอยผมต้องการจะเรียนอิสลามจะเป็นมุสลิมเปิดโอกาสไหมมาให้แล้วหมดนี่เป็นเครื่องหมายวันตี่ยมากครับพี่น้องอังที่นั้นที่ผมเล่า เรื่องนี้ให้ฟังนะต้องการจะให้ท่านผูน้องเข้าใจอายา น, นี้ว่ากุลอ ah ินนามอลลมาอิลมุอินดะลอจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดความรู้ความรู้ที่เกี่ยวกับโลกวันสิ้นโลกข้อที่ห้าในอิสลามมีผูน้องครับไม่มีใครรู้นอกจากอัลลอฮ์องเดียว ว่าอินนามะอาณาณารุมมูบี ا آ และฉันเป็นเพียงมาถึงนบีมหฮัมมัดเนี่ยอัลลอฮ์สั่งให้นบีประกาศว่าตัวนบีมหฮัมมัดนั้นเป็นผู้ตักเตือนเท่านั้นเองไม่ใช่มาบังคับให้คนรับนำถืออัลอิสลามไม่เคยบังคับใครกันพี่น้องแต่หนังสือจากพี่ต้องไปเปิดดูอัลับฮิสตอรีเป็นภาษาังกฤษทั้งหมดพี่น้อง ผมเรียนอยู่ในอินเดียผมเรียนครับอัดดับ history เคียนเป็นภาษาภาษาอังกฤษไปน้องอธิบายว่าไงรู้ไหมศาสนาอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาที่บังคับให้คนนับถืออัลอิสลามแล้วก็เอาดาบนี่ไปจออ่อคอบังคับให้คนรับนับถืออัลอิสลามไปน้องพอพูดอ่านภาพเอ้เราอ่านคุร อ, อานมานะจบมาแล้วเนี่ย สอสามเที่ยวแล้วยังไม่พอไม่พบอายาไหนที่อัลลอฮ์สั่งให้นบีบาดอมีดไปจ่อคอก้นแต่ฝรั่งมันเขียนแล้วพี่น้องศา ส, สนาอิสลามเป็นศาสนาที่โหดร้ายบังคับคนให้นับถืออัลอิสลามไม่มีใครสักคนหนึ่งพี่น้องที่ถือมีดถือดาบไปจออ่อคอรับอิสลามใช่ไม่รับแต่จะฆ่ามีมัดไม่มีนนี่อัลลอฮ์เตือน บอกกับน บ, บีอินนามาอานาแท้จริงฉันเนี่ยฮะนบีมุฮัมมัดนั้นมะีหน้าที่ทำอะไรครับนารีรุนมาเตือนใครไม่เชื่อก็ไม่มีปัญหาใครเชื่อก็มาอยู่กับฝ่ายน บ, บยีฝ่ายอัลลอฮ์ถ้าไม่เชื่อก็เชิญตามสบายอัลลอ์เสียใจยไหมอัลลอฮ์ไม่เสียใจยแต่คนที่เสียใจยคือน บ, บีมุฮัมมัดครับพี่น้องพอใจมาถ้าลูกหลานเราประกาศทันทิ้งอิสลาม ฉันจะไปอยู่กับฝั่งคนฝั่ง น, นู้นเรามัเสียใจในพี่น้องเพราะเรารู้ว่าอิสลามเป็นศาสนาที่ดีที่สุดพี่น้องเป็นศาสนาของอัลลอฮ์อนะัลลอฮ์ประทานอัลกุรอานมานะครับประทานอัลอิสลามมาผ่านนาบีคนแรกนบีอาดัมแล้วก็ทุกนบีที่มาในโลกนี้เป็นมุสลิมหมดเลยครับไม่มีใครเป็นกาเฟร ไม่มีใครเป็นยะฮูดีไม่มีใครเป็นมาซอรอไม่มีใครเป็นมายูซีทุกคนเป็นมุสลิมหมดเลยพี่น้องนบีอาดัมกับมุสลิมอิบรอฮิมกับมุสลิมมูซากับเป็นมุสลิมยูซุปก็เป็นมุสลิมเป็นมุสลิมหมดพี่น้องเขานมาสะอาดการแต่วิธีนมารแบบไหนไม่ทราบเขาถือบวชกันจะบวชแบบไหนเราไม่รู้แต่ในยุค ข, ของพวกเราวันนี้ ต้องนามาห์ห้าเวลาน้ำโดยท่านนาบีมุ h ั m m a d ส, สลุลลัลอะไอยูัสลเดียว่ า, าอิน า, นามะอาณาณุมบีและฉันเป็นเพียงผู้ตักเตือนอันแจมแจ้งเท่านั้นนบีมาสอนอย่างเดียวครับพี่น้องตลอดเพี่อครับมีอยู่วันหนึ่งหลานนาบีลูกของลูกสาวนาบีเนี่ย ไม่สบายนะลูกสาวนาบีก็ส่งคนให้ไปตามนาบีไปตามแชนะครับบอกมาดูที่หลานไม่สบายอาการหนักแล้วนบีไม่ไปนบีบอกว่าไปบอกกับลูกสาวฉันนะบอกว่าให้อิสบีรีให้อดทนของที่เอาล่อให้มา เวลาอัลลอฮ์จะเอากลับก็เป็นสิทธิของอัลลอฮ์ให้แม่คิดแค่นี้พอเห็นไหมหลานนาบีในพี่น้องไม่สบายอาการหนักโคม่าแล้วมันจะเสียชีวิตลูกสาวก็คิดถึงพ่อนะเอาไปตามพ่อมาสินบีเป็นพ่อสั่งคนที่มาตามบอกว่าให้แม่อดทนแล้วให้แม่นึกอย่างนี้ของที่อัลลอฮ์ให้มาก็เป็นเนียมาเวลาอัล ล, ลอฮ์ลลจะเอากลับก็เป็นเนี่ยมมาของอัลลอฮ์ ให้อดทนในเวลาอันเดียวกันพี่น้องวันเดียวกันนั่นแหละมีเด็กยูวคนหนึ่งเคยมาอยู่กับนบีที่บ้านนาบีแต่เด็กยูวคนนี้เป็นน้องครับกลับไปอยู่กับคุณพ่อก็ไม่สบายเหมือนกันไม่สบายหนักเนี่ยคุณพ่อก็ส่งคนเนี่ยมาตามนาบีบอกให้นบีไปเยี่ยมหน่อยนบีไปเลยพี่น้องที่หลานตัวเองเนี่ย สั่งบอกว่าให้แม่อดทนให้แม่สอบานนึกว่าเป็นเนี่ยมาที่อัลลอ์ให้มาอัลลอ์จะเอากลับเมื่อไรเมื่อสิทธิของอัลลอ์แต่เวลาลูกยิวไม่สบายส่งคนมาตามนาบีรีบเดินไปเลยเดืนอนเท่าไหร่ครับพอเดินไปก็ไปนั่งอยู่ที่ด้านศีรษะของเด็กก็มองหน้าเด็กนบีก็บอกว่า ฉันมานี่ต้องการจะมาเตือนคุณนะอัสลิมรับอิสลามสิแล้วคุณจะปลอดภัยจากการลงโทษของอัลล์เด็กคนนี้มองหน้าพ่อเด็กคนนี้มองหน้าพ่อพ่อว่าอาตัตยาอับังกอเมเชื่อสิ่งที่พ่อของกอเซมหรือนบีมุฮัมมัดสอนเถอะลูกเอ้ยพอคุณพ่อเปิดไฟเขียวเด็กคนนี้ก็ว่า นบีก็สอนเลยอัชเห็นอัลลอฮ์อิลลั ล, ลลอฮ์ะฉัชเห็นอันมูฮัมมัด ร, รับสัลล่ลของนบีสอนคัมภีร์ให้กับลูกยิวคนนีน้พอสอนเสร็จนบีก็ว่าเด็กคนนี้ปลอดภยัยจากการลงโทษหลังจากตายไปพี่น้องได้ข้อคิดอะไรบ้างหลานตัวเองไม่สบาย มีคนมาตามนบีปลายเปล่าไม่ไปแล้วก็สั่งว่าให้แม่อดทนเห็นนึกถึงอัลยเยอะๆบ้านยิวพี่น้องส่งคนมาตามลุกชายยิวจะเสียชีวิตนบีรีบไปเลยในยมาสอนกริมะักเด็กคนนี้รับกอริมักเป็นมุสลิมนบีว่าเขาปลอดภัยจากการลงโทษล <S <S แล้วแสดงว่านบีนี่ห่วงคนคาเฟ่ใช่หรือไม่ใช่ถ้าไม่ห่วงคงไม่ไปใช่ไหม ไม่ต้ห่วงหลานเพราะหลานเป็นมุสลิมครอบครัวนบีเป็นมุสลิมหมดแล้วถ้าฉันไม่ไปไม่มีปัญหาเพราะเด็กเป็นมุสลิมอยู่แล้วแม่ก็เขร่งคัดาศาสนาไอ้ที่ห่วงนะห่วงคนคาเฟ่นะบีรีบไปไ ป, ไปน้องทําไมนบีรีบไปนะครับต้องการจะสอนให้พวกเรารู้วันนี้ว่าคนที่ไม่ไม่รู้จักอัลลอฮ์คนที่ไม่รู้จักนบีลองตายดูสิลําบากยังไง ดุนยานีหลอกเก่งมากครับไปน้องทำให้เราไม่เอาอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ให้สบายดีกว่ามีาศาสนาอีกใช่หรือไม่ใช่ไม่มีาศาสนาสบายไหมหิชาบไม่ต้องคุมสบายไหมสบายจะใส่เสื้อ น, นิดเดียวแบบดาราที่เดินอยู่กลางเวทีได้ัหมได้จะทอมก่อนแต่งก็ได้ จะนอนตีหนึ่งตีสองก็ได้จะซื้อเบียร์มากินเมื่อไห่ก็ได้จะด่าพ่อด่าแม่ก็ได้เพราะตัวเองไม่รู้ว่าตัวเองจะต้องถูกลงโทษเราก็ให้มีรางวัลตอบแทนจะอร่อยอยังไงนบีเป็นห่วงครับนบีทำสําเร็จครับไปที่บ้านคนยิวลูกยิวรับอิสลามอาล่ามอยุลิเล่พี่น้องแต่มีอยู่คนหนึ่งนบีไปเยี่ยมแล้วไม่ยอมรับอิสลามนาบีร้องไห้ครับพี่น้องใครรู้ไหมลุงของท่านนาบีเอง ชื่ออบูตอเลฟอบูตอเิฟเนี่ยเป็นลุงของท่านนาบีนะเป็นน้องของคุณพ่อปกป้องนบีดูแลนบีพอนบีไปสอนศาสนาเป็นน้องศัตรูนะ่ะเล่นงานนาบีเอาหินขว้างบ้างด่าบ้างเอาอุจจระมาป้ายหน้าบ้านนาบีบ้างลุงนี่ไปหาเอ้ยอ ย, ย่าโยกนี้มันหลานฉันอบูตัวนี้กัเป็นกับเป็นกับมึงก็เป็นอะไร เป็นคนสําคัญในหมู่บ้านทุกคนก็เขารวบไปให้เกียรติปกป้องนบีมาตลอดพี่น้องวันที่คุณลุงท่านจะเสียชีวิตนี่นะอบูละฮับอบูยะฮันศัตรูของอิสลามทั้งหมดซึ่งเป็นญาตินบีทั้งหมดพี่น้องนั่งกันอยู่บนบ้านเต็มไปหมดเลยนบีก็ไปไปถึงก็ไปนั่งอยู่ด้านศรีรษะของอบูตอลิฟเขพูดเป็นลุงบอกว่าลุงลุงกล่าวคํานี้สิก่อนจะเสียชีวิต และอีลาแหอิลลัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอ์มุฮัมมัดสุลลุลลอฮ์และขอปฏิญาณตนว่านบีมุฮัมมัดเป็นรุลลลของอัลลอฮ์ลุงว่าคำนี้สิเดี๋ยวฉันหลานจะไปคุยกับอัลลอฮ์ให้นี่เป็นข้อเสนอที่ยิ่งใหญ่มากครับพี่น้องฉันหลานจะไปคุยกับอัลลอฮ์จะไปขอร้องอัลลอฮ์ว่าลุงรับอิสลามแล้ว มองหน้าอบูละฮับอบูจาฮ์ลกลัวเนะกลัวไฟล่ะกลัวการลงโทษหลังตายละ่ะขี้คลาดอุปนริบก็เลยไปกล่าวว่าไม่กล้ากล่าวอัลลอฮฺอินลาฮฺอินลาอฺละว่าอัลลอฮฺอัลลอฮฺนะมุฮัมมัดะลลัสซุลไม่กลา้ากล่าวพี่น้องครับแล้วก็ตายในสภาพที่ไม่รู้จักอัลลอฮฺทั้งท่านที่ดูแล มุฮัมมัดอย่างดีอุลมามะเขาอาธิบายบอกว่าคุณลุงเนี่ยปกป้องนบีมุฮัมมัดไม่ใช่ปกป้องในฐานะไม่ได้มองว่ามุฮัมมัดนั้นเป็นนบีแต่มองว่ามุฮัมมัดเป็นหลานไม่ได้มองว่าเป็นรอซูลของอัลลอฮฺเห็นยังครับพี่น้องวันนี้พวกเราก็เหมือนกันนะครับที่ปฏิบัติตามรซูลน น, นึกหรือเปล่าว่ารซูลนั้นเป็นนบีของอัลลอฮฺรู้เปล่า มันต้องนึกไป่องมันต้องคิดอะไรให้มันออกด้วยนะพี่น้องทั้งหลายฉะนั้นอบูตุลตบแล้วก็ไม่พูดอะไรเยอะอนะปกป้องมุฮัมมัดในฐานะเป็นหลานไม่ได้ปกป้องในฐานะเป็นรอซูลของอัลลอฮ์สุบฮานาบูฮฺอัลลอฮ์อันก็พี่น้องกุรานที่อยู่ข้างหน้าท่านเนี่ยกูลอินนัมลอิลหมออินดลัลลอฮความจริงเรื่องวันสิ้นโลกเนี่ยอยู่ที่อัลลอฮ์เนี่ยอยู่ในคัมภีร์คุรานมีอยู่ห้ารายการ ที่เป็นความลับสุดยอดไม่มีใครรู้ความลับเรีว่าอันศีนของที่มองด้วยสัมผัสด้วยตาไม่เห็นในภาษาคุรอาว่าร้อยบุญเรศนะครับมีอยูห5รายการนะครับพี่น้องมีอะไรบ้างพี่น้องครับอินนัลลอฮ์อินดารูอิลมุซาห์วันเกียรตจะเกิดขึ้นเมื่อไรไม่มีใครรู้ ดีข้อที่หนึ่งะมล่อก็ไที่อยู่ใกล้ชิดกับอัลลอ์ก็ไม่รู้ว่าเมื่อไรจะเกิดวันเกียร์มาแต่อัลลอ์เล่าสัญญาณให้ฟังอ่าสัญญาณวันเกียร์มาให้ฟัง <S <S เรื่องที่สองฝนวายุนัสรลุลรอยซะฝนจะตกที่ไหนเท่าใดเมื่ อ, อไรเราเพียงแต่อะไรนะพยากรณ์อากาศเราเองรู้จริงๆรู้ไหมไม่รู้คับ รมพายุมาเมื่อะไร่ไม่รู้ไม่รู้เลยไปน้องเอา ล, ล้อไม่ให้รู้ข้อที่สามธารกที่อยู่ในมดลูกไม่รู้วัยะแล้วบูมาฟิลอาหามทารกที่อยู่ในครันมารดาไปน้องจะแทงเดี๋ยวนี้พอจะรู้ว่าเพศหญิงเพศชายก็ไม่ใช่รู้ร้อยเปอร์เซนไปน้องกับเดาๆกคนนั้นไปน้อง ผิวเหลืองผิวขาวผิวดำรู้ไหมไม่รู้จะแทงคลอดออกมาไม่รู้ค่ะพี่น้องเอาล็อกเก็บไว้ในมดลูกเรียบร้อยเลยครับพี่น้องทั้งหลายไม่มีใครรู้แล้วก็ไปทําขนาดละกงหลอดแก้วพี่น้องไม่ผ่านมดลูกได้ไหมก็ไม่ได้อีกผสมนั่นแหลหลอดแก้วอย่างเดียวแล้วก็ต้องฉีกไปในมดลูกเหมือนเดิมเพราะอวโลกพูดว่าลูกเด็กจะเกิดต้องอยู่ในมดลูกเท่านั้นอยู่ที่อื่น ไม่มีสิทธิ์กัดพี่น้องนี่ข้ามีอุปกรณอธิบายว่าต่อมาข้อที่สี่ว่ามาจัตเตรีนับซุมมาละตักซีบูกอดันไม่มีใครรู้ว่าพรุ่งนี้เขาจะทําอะไรนี่เป็นความลับไอความลับข้อสี่นี่เป็นนักพวกหมอเอาไปหากินกันหมดแล้วดูลมือรู้๋โอโหหมอนี่มันเก่งน่าดูเลยนะดูลมือนี่มันรู้ห จะมีเมียสองคนสวยด้วยโอ้โหััเนียกับใจผุดหื ม, มแล้วคุณจะรวยนานอนาคตโอ้โหลเป็นน้องโอ้โ ห, อโอโหขอบคุณหมอใหญ่เลยตัวหมอเองก็ไม่รู้หมอจะตายเมื่อไรหมอยังไม่รู้อะไรเปนน้องแต่หลอกกินได้ไงเปนะน้องก็ วามาตัดดีนับสุมมาจะตักซีบือกวดันไม่มีใครรู้ว่าชีวิตหนึ่งชีวิตใจจะทำอะไรในวันพรุ่งนี้ไม่มีใครรู้แต่หมอมันรู้นี่ก็เรียกว่านะทรยศต่อคำสั่งของอัลลอฮสุบฮานะหัวตานคนที่ไปหาหมอดูไป น, น้องนันบีสอนไงรู้ไหมอัลลอฮไม่รับนมาศีสิบคืนมีบางคนต่อว่าฉันไม่ได้นมาอยู่แล้ว ก, ก, ก็ไปอ้าวหนักเลไปอีก ต่างใจขาดนมาดบาปไป้องไปหาหมอดูอีกผิดไปต้องสองข้อใหญ่ๆนั้นไปเชื่อหมอดูอิบอลอหล่อไปต้องเพราะกุ้อานพูดชัดไม่มีชีวิตใดในโลกนี้รู้ว่าเขาจะทำอะไรในวันพรุ่งนี้จะมีอาชีพทำอะไรในวันพรุ่งนี้ไม่มีใครรู้ไป้องต่อมาครับข้อสุดท้ายข้อที่ห้าว่ามาตาเดรินับซุมบิไออัรดินตาโมดและไม่มีใครรู้ว่าเขาจะตายในแผ่นดินไหนใช่ไหม อย่างพี่น้องเราหลายคนไปตายที่มกักกะข้างที่แล้วที่ถูกเครนทับอ่ะมีใครอยากจะไปตายที่มกักกะไม่พี่นอ้องก็ไม่อยากตายอยากจะกลับมาอยู่บ้านจะถูกเครนทับเนี่พี่น้องเราตายตนนั้นก็ดีอย่างได้ตั้งสิบอ็ล้านสิบสามล้านได้เยอะพี่น้องรัฐบาลก็ช่วยแต่คนอยากตายมากผมก็ไม่อยากตายไม่มีใครรู้ว่าจะตายในแผ่นดินไหนพี่น้องใครรู้บ้างไม่รู้พี่น้อง อาผมขอเล่าให้ฟังนะครับถ้าตายที่ไหนนะฝังที่นั่นเลยบัองพามายึกกลับมาประเทศไทยแล้วถ้าเกิดไปทำเนี่ยไปไปไ ป, ไปทำอุมมรอนมาเกิดตายที่มกักะไม่ต้องเอาศพกลับบ้านฝังที่มากะนังไงไปน้องคนนมาถึงกี่ล้านน่ะนมาถึงกี่ล้านอ่ะห้าล้านคนมีอยู่ส5ห้าคนที่ใจสะอาดบริสุทธิ์เราปลอดภัยจากการลงโทษเดกูโบเลยตายบัเราที่ยุ่งอ่ะ เชิญแล้วเชิญอีกมันถามว่ารวยรือจนคนตายอ่ะถ้ารวยคนมาเยอะหน่อยได้แจกเยอะหน่อยถ้าจนกูไม่ <im itar rumor> ว่างวะนี่วะพี่น้องชั้นแผ่นดินไหนไม่มีใครรู้ว่าจะตายวะนี่เป็นความลับสุดยอดนะครับพี่น้องอัลลอฮ์บอกกับนบีกุลมุฮัมมัดอินนัมัลไรล์มอินดะลอหมุฮัมมัดเอรอสูลของอลลอฮ์จงประกาศว่าความรู้เรื่องวันสิ้นโลกนั้นความรู้เรื่องวันกิยามัด ความรู้เรื่องฝนจะตกเมื่อไรความรู้เรื่องเด็กที่อยู่ในคาร์มารดาความรู้ว่าภูมิหนี้จะทําอะไรท่านจะตายเนี่ยแผ่นดินไหนไม่มีใครรู้นอกจากอัลลอฮ์องเดียวเท่านั้นพี้องครับคนที่ศรัทธาในอัลลอฮ์องเดียวรู้ไม่ได้อะไรศรัทธาอในอัลลอฮ์องเดียวฉันยึดอัลลอฮ์องเดียวพี่น้องฉันไม่ทําชิริก แล้วก็พยายามเรียนหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องเนี่ยเรื่องเรื่องอัลลอฮ์เยอะๆไปน้องครับมีตระกับต่งางๆเต็มไปหมดไปต่งางๆเป็นทั้งภาษาอังกฤษอาหรับอุรดูเยอะไปหมดครับซื้อมาอ่านไปน้องคนที่รู้จักอัลลอฮ์แล้วก็ยืนหยัดในอัลลอฮ์องเดียวไม่ทำชั่วอกเขาได้รางวัลสามรายการข้อที่หนึ่งไน้องเวลาเขาตายไปแล้วไปน้องครับ เขาจะไม่ถูกทรมานใดๆทั้งสิ้นตลอดไป พ, พี่น้องจะคิดว่าตายแล้วจบนะตายแล้วยังไม่จบพี่น้องตายไม่จบชีวิตหลังความตายอรอพี่น้องมันยิ่งใหญ่เหลือเกินพี่น้องเรานี้ต้องผ่านกี่โลกนะสี่โลกนพี่น้องนะโลกใบแรกโลกแห่งวิญญาณตอนวิญญาณ ก่อนนี้จะเข้ามาอยู่ในท้องมารดาเราเนหนวิญญาณเรามีอยู่แล้วในพี่น้องวันนี้เรามาอยู่ในโลกใบที่สองเดีย๋ยววิญญาณออกจากร่างไปอยู่ในโลกใบที่สเดี๋ยววิญญาณเข้ามาในร่างอีกครั้งหนึ่งโลกใบที่สี่โลกใบที่สี่พีน่น้องครับโอ้โห อลังการใหญ่มากครับพี่น้องสําหรับคนที่มีอิสลามมีอัลลอฮ์มี Allah, มรอซูนมีวันเตียมะพี่น้องแต่คนที่ไม่มีอัลลอฮ์ไม่มีรอซูลปฏิเสธวันเตียมะไม่เชื่อวันวันเตียมะมีจิตลาบากมากครับพอฟื้นขึ้นมาคือไปนอนหลับอ่ะพี่น้องหนึ่งคนที่รู้จักอัลลอฮ์พี่น้องอย่าทําชิริกนะเขาจะไม่ถูกลงโทษหลังตาย ข้อที่สองขณะที่เขาอยู่บนโลกดุรยาใบนี้อัลลอฮ์จะเปิดใจเขาให้เรียนสุนนะของท่านนาบีคำว่าสุนนะนาบีมีน้องอธิบายอย่างนี้สิ่งที่ท่านนาบีพูดทั้งหมดต้องเป็นเป็นสุนนะหมดเลยอย่างนาบีอ่านดุอาในนมาวัด จ, จ่าตุ ว, วัจฮิยาลิลลาฮีฟะตุรอสัมมาวาติวัลอัตฮันีฟะมุสลิมอุมะมาอันนายนัลมุชริกิน อินน um ัสซาลาตีวนุซุกีวนามฮียาวนามมาตีลิลลอฮิรับบิลอาลามินลาชาลิกะละูอับิดาลิกะอุมิรตุอีกเราดูอ่านทังบทนี่เป็นของนบีใครว่าเอาสุนนะนบีมาใช้ในชีวิตประจาวันนบีอ่านอยู่สามสี่บทพี่น้อง บทนี้ก็อ่านบทอื่นอีกพี่น้องก็มีอ่านอีกนั่นเป็นสุนนะนบีทั้งหมดข้อที่สองสุนนะนบีสิ่งที่ท่านนาบีปฏิบัติพี่น้องนบียกมือยังไงอ่ะตอนตักบียกน่ะยกมือยังไงแล้วกอดอกยังไงกอดใต้สะดือหรือกอดบนหน้าอกหรือกอดกอดที่ท้องบางคนกอดย่างงี้ถามว่าตามทามตามนาบีหรือเปล่าบางคนกอดที่หัวใจผมมีเพื่อนอยู่คนนึงมาจากสูดา น, นำมาดริมผม เขายกมือปักกระทำเนี้ยพขาก็นั่งมองเอ๊ะทำไมไม่กอดตามตามที่ท่านนาบีสอนประกอบที่เขาบอกกอดหัวใจแล้วก็ถูสอนมาอย่างนั้นไปเนาะฉะนั้นคนที่เรียนสุนนะานาบีเขาจะรู้เลยว่านาบีกอดอกเป็นยังไงการกอดอกนั่นเป็นสุนนะของท่านนาบีอา้าวถ้ารูก้ก็เหมือนกันหมดเลยทั่วโลกใช่หรือไม่ใช่ ถ้าว่าทาตามใครทำตามนาบีแล้วก็เวลารุกวัวเนี่ยให้เอานิ้วมือเนี่ยแยกๆ ก, กันแต่เวลาสู้ยูดเนี่ยพี่น้องให้มือชิดกันทำตามใครครับตามสุ น, นักนบีเพราะนาบีทำเป็นแบบไวสายตาก็เหมือนกันพี่น้องตอนยืนมาดเนี่ยตาไปไหนบางคนตามองตัวอิหมามอยู่ซอกหน้านู่นนะอิหมามใส่โตบสีเขียว ใครสั่งให้มองอ่ะสุะนนห์นบีนบีสั่งไม่ให้มองรักษาสายตาพี่น้องในในที่นามาศนะการ น, นำกำพลังนามาศให้รักษาสายตาสามที่พอถ้ารักษาสายตานะมองแค่สามที่เนี่ยนะใจของเขาจะคุชชั่นข้อที่หนึง่งตอนยืนเนี่ยคนซอฟหน้าก็่มาตรงไปมองแล้วตอนตักบีดแล้วนะอัลลอฮ์องพระจ้ มองซับหน้ามองที่สี่คนแล้วเฮ้ยหนึ่งสองมองบนสีเหลืองสีเขียวสีแดงใส่เสื้อนาบีทําเป็นแบบนาบีจะมองที่ซูน่าใ่รไหมพี่น้องนี่ซูน่านาบีเวลารูกก้กูอะพี่น้องยกมือก่อนนะอัลลอฮฺอักบัดเนี่ยการยกมือในคะนนบีสอนนะี่เป็นซุน่านาบีนะ แล้วเอามือจับเข่าแล้วก็แยกกันนี่ก็เป็นศุนย์หนานบีตามองตรงไหนครับเป็นศุนย์หนานบีปลาตามองที่ปลายเท้าปลายเท้าเราทนะี่ไหนดูเล็บตัดหรือเปล่ารูเหลือโอ uh ้โ huh. หเล็บยาวถ้าใส่ทุงเท้าเบ า, าหน่อยนี่เฉพาะสายตาในะน้องเอาศุนย์หนานบีมาใช้ครอบคุมชีวิตของเราเขาว่าใครพอใจเอาละพอใจข้อสุดท้าย ตอนนั่งอัตไหยาเนี่ยสายตามองที่ไหนครับมองที่นิชินข้ายซอนเนี่ยนบีมุฮัมมัดสลุลล็อเล ย, ยมุสลัมเห็นไหมถามว่าถ้าเอาซูน่านบีมาชะเฉพาะถ้านะมา ก, กับสายตาอย่างเดียวมีน้องนมาคุชัวไหม อ, ลอลัลลอคุชวมากอุ่อานตรงไหนครับก็ดออัฟลฮัลมุมีนูคนที่เป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮศรัทธาหกประการนี่นะ เขาได้รับความสําเร็จในชีวิตแล้วยังไม่พอครับคนที่จะได้รับความสําเร็จในชีวิตอะไรนะก็เดาประหามุมินุอัลลาีนะฮุมฟีซาลาตีฮิมคอชยาอุลเวลาเขานมาดเนี่ยเขานมาดด้วยใจที่นอบน้อมและถ่อมตนบรรณาอุลามะอธิบายนะจะให้หัวใจนอบน้อมถ่อมตนต้องเอาสุนัขนบีมากำกับชีวิต โพยอฉพาะ ย, ายิ่งถ้ากอดอกถ้ารูกล้วถ้าสุญูดแม้แต่สายตาที่จ้องมองที่ไหนที่ดีที่สุดที่อัลลอฮ์พอใจที่นบีสอนไอ้พี่น้องตอนยืนมองที่สูญูด ต, ตอนรูกล้วมองที่ปลายเท้าตอนนั่งอัตฉริยะตามองที่นิ้วมือใจคุ่ชั่วก็ไปนอนได้นี่อิสลามพี่น้ง ขอคุณอัลลอฮ์ที่เราเป็นมุสลิมวนันนี้พี่น้องแล้วเราก็ไม่ได้หยุดเป็นมุสลิมก็อยู่เฉยๆเนึกว่าความรู้จะมาเองอย่างนาบีมุฮัมมัดเนี่ยยิบรี ล, ลงมาสอนส่วนเราจะต้องแสวงหาจะต้องค้นคว้าต้องไปต้องฟังต้องนั่งรถไปฟังคนนั่นฟังคนนี้หรือมันไปซื้อหนังสือมาอ่านเองมันต้องพยายามพี่น้องครับพี่น้องครับ มีสิ่งอยู่สามข้อที่ท่านนาบีสอนนะเป็นชีวิตจิตใจของพวกเราเลยนะพี่น้องคิดสามข้อนี่พอแล้วข้อที่หนึ่งนบีว่าสอนว่าไงนะก่อนรันนบีอยู่สุนรอร์ลอออุบซาลลัมอิดามะตับนูอาดัมอิ่งก็ต่ออาอามาลูหูอิลลามินซาลาสินเมื่อลูกหลานของอาดัมตายจะเป็นใครก็ตามระดับไหนก็ตามพี่น้องระดับนุ้นคิงเลยพี่น้อง ระดับพวกเราต้องครูอาเรียมอุลมะระดับไหนถ้าตายเกิดขึ้นบัญชีถูกตัดขาดยกเว้นสามรายการสามรายการที่บัญชีเปิดในพี่น้องขนาดตายไปแล้วนะผละบุญยังสมถึงนะสามรายการมีอะไรครับสอดอกอตุนยาิยกตุนหมายถึงการบริจาคทานคาว่าบริจาคมีสี่ข้อนะหนึ่งสะกาศ หนึ่งสระกาศสองสอดาอกก็สอดดอก็ได้ทานอาสานะ่ะส่วนสระกาศนี่ชัดเจนเลยนะครับใครที่มีเงินหนึ่งแสนสองมื่นบาทครบปีแล้วต้องจ่ายสระกาศลองไม่จ่ายดูสิลองตายดู ส, ดสิคุณอ่านอธิบายไว้สองข้อพี่น้องครับมีการลงโทษสมรายการสำคนที่ไม่จ่ายสระกาศหนึ่งตกนรกสองมีแผ่นเหล็กมาหน้า แผนเล็กหน้าพี่น้องแผ่นเหล็กร้อนๆมาหน้าที่หน้าภาก่อนแล้วก็สีข้างก่อนแล้วก็หลังก่อนทําไมต้องมานหน้าเพ่นหน้าภาพเพราะว่าอะไรนะเกลียดนะสกาัดไม่เอาน้าหน้าภาเลยหันหันสีสีข้างให้หน้าเลยเอรังเกยียรอิสลามอ่ะระเกยียรซุน่านอับบีระเกยียร์สกาด พ อ, อเอาเบอร์หน้าหน้าทีหน้าพอหั น, นสีข้าหนันสีข้างหน้าสีข้างหันหลังหน้าหลั ง, าลงสามรายการข้อที่หนึ่งตกนรกยังไม่พอนะครับถูกนาบด้วยแผ่นเหล็กอันที่สามเงินของเขาทองของเขาที่สะสงไว้เกินพิกัดที่อัลลอฮฺกาหนดต้องจ่ายละกไม่ยอมจ่ายพี่น้องครับจะกลายเป็นงูอยู่เต้ากูนะจะมาพันคอของเขา ตกนรกเลยยังไม่พอยังมีรายการพิเศษเพิ่มมาอีกสองรายการพี่น้องอะไรนะงูมาพันที่คองูจะพูดว่าไงนะอานาการซูกะอานามาลูกะฉันนี่แหละเป็นทรัพย์สินของท่านหี่ท่านเก็บไว้ในตู้เซฟมัทนาคาดพันล้านร้อยล้านสิบล้านาการไมาจ่ากเลยให็ไหมพี่น้องครับนีถาอ่านกูอานจะเจอหมดเลยอัลลอพระชีวิตเรานี่ มันต้องเดินตามอัลกออูอ่านทั้งหมดเนเพราะฉะนั้นคิดถึงสตกอกโก้เยอะๆทำไงเราจะถ้าทำบุญจ่ายากาศทำสรกอกโกทำฮาดียะทำวากรบคิดก็ต้องมีธุรกิจใช่หรือไม่ใช่อ้าคิดเรื่องการทำมาหากินหาสแสวงหาทิศกีของอัลลอเรื่องที่สองไอมุนยุนตาฟะมุดบีคิดเรื่องที่สองไปเนองครับ หาความรู้ที่เป็นประโยชน์ใส่ตัวความรู้พี่น้องนี่บางคนพอตำมักองอ่านแล้วหยุดเรียนหนังสือแล้วหยุดทำไมอย่าหยุดต้องเรียนตลอดพี่น้องผมเรียนตลอดพี่น้องผมเปิดทีวีซาอุดีเปิดทูดีกูเวตทีวีซูดานแล้วก็พูดาศาสนาปุบนั่งฟังได้ความรู้เพิ่มครับพี่น้องหลาย ทำต้องเรียนตลอดไปน้องก็ไปเข้าคอร์สเรียนสิเรียนวิชานั่นของที่ไม่ใช่ฝ่าฝืนคําสั่งของอัลลอฮ์เช่นไปเรียนวิชาดูหมอเรียนทําไมอัลลอฮ์ห้ามดูหมอไม่ต้องไปเรียนศัยศาสตร์ไม่ต้องเรียนเพราะศัยยากในระว่านอนศาสตร์ความรู้ที่ไม่เจริญต่อยอดไม่ได้อัลลอฮ์ไม่ให้เรียนอย่าไปเรียนทั้งวิชาเรียนทําขนมปังเรียนวิธีทํายังไงให้ ให้ให้สามีรักทําไมอ่าไปเรียนสิภรรยาแต่งตัวยงังไงให้สามีเห็นแล้วชื่นใจไปเรียนมากทํากับข้าวยงังไงให้สามีทานใร่ร่อ ย, ออ ย, ออยไปเรียนมะพี่น้องอิมุนยุนตาฟาอุบีฮีแล้วก็ตุเรียนอิสลามด้วยสุนนะนะบีสอนว่ายังไงคุณอ่านสอนอยังไงมีตั้ง6กพัหกร้อกว่าอายะพี่น้องที่บางคนเนี่อายุหกสิบแล้วถามสุรัตสุราัตช่าแปลได้อย่าง แฝงนใจอั น, นคุณว่ารอตัววันแฝงว่าม่อยู่สู้วัตีเนยวันแปงไม่อู่สูไปน้องและความรู้ที่มีประโยชน์แตาทำไมไม่เรียนเลยไปน้องเอาเวลาไปนั่งนินทากันวันสามสี่ชั่วโมงก็นั่งได้ไปน้องดูละครเนี่ยนั่งได้ไปน้องงิบขูชั่วเลยไปน้องเปลีย่ยนไม่ มีริสุกีหาสแสวงริสกีเย อ, ยอๆะๆก็ได้ทำบุญสองถึงอายุห้าหสิบเรียนไปน้องหาความรู้ใส่ตัวนะเรียนไปน้องนะข้อที่สามนึกมีลูกทำยังไงให้ลูกเราเป็นลูกที่ซอละไม่จะ ช, ชื่อซอเละนะลูกที่ดีอลอลูกที่เข้าใจศาสนาเพราะสามรายการนี้ช่วยเราได้หลังตา อ้าลูกที่สอนแล้วเราตายไปแล้วลูกอยู่บนหน้าบนยาไปนี้ไปทำธุรกิจบริจาคพละบุญถึงยอดถึงมากด้วยอ้าวลูกที่มีความรู้โนเลจมีอมัลไล์มู้อย่างเยอะๆไปนั่งไปสอนก่อนมะอยู่ในกูโบะมะทรงเรียนหนังสือตอนหนุม่มๆอะทรงไปอัลฮัดสรงไปมา ด, ดีนะท่งไปอินเดียไปปากีไปเรียนมะมาะขายที่ขายนาต่งางไรสองไรเพื่อให้ลูกเที่ยงสือพละบุญถึงแม็ถึงมากที่นอนอยู่ในกูโบด้วย เรื่องที่สามวัดสอนและลูกที่ดีพี่น้องลูกนี่ช่วยเยอะในะพี่น้องสุดแล้วก็อย่าลืลูกถามถึงความรู้ที่ลูกสอนถึงลูกที่ดีสอนและขอดธิาถึงคิดสามเรื่องนี้พอพี่น้องประหยัดเวลาไหมประหยัดเวลาแค่สามรายการเองครับพี่อพนองแล้วพี่น้องครับ วันเกียรมามีจริงไหมมีจริงครับดังนี้ผมขอสรุปสั้นๆนะครับพี่น้องคนที่ฟื้นขึ้นมาจากหลุมฝังศพเนี่ยฟื้นตอนไหนรู้ไหมเขามีการเป่าที่เป่าเนะสองครั้งครั้งแรกตายหมดพอเป่าด่มันไรกล้าเป่าพอเป่าครั้งแรกตายหมดเลยหลังจากนั้นอีกไม่รู้ว่าสี่ปีสี่วันสี่สิบปีก็ไม่รู้นะครับคมการเป่าอีกครั้งหนึ่งฟื้นหมดเลยครับพี่น้อง ทุกสิ่งทุกอย่างที่ตายไปฟื้นหมดพี่น้องทีนี้มาดูมาดูผมนำแค่สองรายการพอนะคนที่ตายชสีชีคนที่ออกไปรักษ า, าศาสนาของอัลลอ์แล้วก็ถูกฆ่าในสนามรบนบีสั่งนะคนเหล่านี้ไม่ต้องอาบน้ำยะนาจานะเอาผ้าผ้าไม่ต้องฝัง อ า, อาวุธออกอย่างเดียวไปน้องฝังเลยคนที่ตายเฉียดไปน้องพอฟื้นขึ้นมานะเลือดอยังไหลยอยู่เลยไปน้องเที่ทุกมาชาัดไปน้องพอฟื้นขึ้นมาเลือดไหลติดตัวนึกว่ากลิ่นเหม็นไม่ใช่นบีพูดว่าไงรู้ไหมอัลลอฮฺอัลบัตุวะรีฮรุฮุลมิสติกลิ่นของเลือดนั้นหอมยิ่งกว่ากลิ่นของสมุทรเฉียง ต้องเชื่อปะนานบีสอนซุนนะนบีที่นบีสอนพี่น้องบอกล่วงหน้าเอาไว้เลยคนที่ตาย ش ه ี د พี่น้องถูกฆ่าตายถูกระเบิดตายพี่น้องถูกปืนยิงตายพี่น้องแล้วก็ฝังอย่างนั้นเลยพี่น้องวันฟื้นขึ้นมานะครับเลือดของเขายังไหลเหมือนเดิมแล้วก็เลือดนั้นรีฮุลมิสกีเลือด กินหอมยิ่งกว่ากลิ่นของสะมดเชียเรื่องที่สองคับคนที่ตายกำลังไปทำเยารอมอยู่กําลังขล้องผ้าเยรอมพี่น้องกําลังเดินต่อว่าแบเคนหล่นลงมาปื้ตายไปก็ฝังครับฝังในชุดอยารอมนั่นแหละพี่น้องเวลาฟื้นขึ้นมาครับในวันเตียมะพอฟื้นขึ้นมาครับฟะอินน้ามา ยุบอมาสุย um ้ามันติยามาติมูลาเบียนพอแล้วเขาฟื้นข um uh> yeah, sí> ึ้นมาจากหลุมฝังศพเขาว่ายังไงรู้ไหมละไบกะลอุมาละไบละไบกะลาชารีกะลากะละไบอินนัลฮัมดะวันเนืมัตะละกะวันมุลละชาริกะละนี่ใครเล่าให้ฟังครับอัลลอฮ์เล่าให้นบีมุฮัมมัดฟังให้นบีมาสอนพวกเราอย่างนี้ ตัวล้งว่าตายใ น, ในชุดของเออารอมฟื้นขึ้นมาตักบีดเลยพี่น้องละเ บ, บยอัลลอฮุมมาละเบยอัลลอฮ์สง้างามแค่ไหนครับพี่น้องแล้วก็คนที่ตายเฉิดพอฟื้นขึ้นมาเลือดยังไหลยอยู่เลยพี่น้องแต่เลือดนั้นมีกลิ่นหอมใครเล่าครับนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัมบันทึกอยู่ในอิมามบุคอรี นอิมา ม, มุสลิมนใครพี่น้องของเาพี่น้องครับในฮะดิษอธิบายต่อไปอีกทุ่ง ม, าาม้าิไดอยู่ที่ไหนทุกคนจะต้องฟื้นหมดพี่น้องแล้วก็ต้องไปรวมตัวกันไปรวมกันที่ทุ่งมาชาดัดทุ่งมาชัดนบีสอนอย่างนี้นะครับอันไมมู้นนะบินบินตุสะดินระยกล้อหอันเากอดกอดสูรลลุลนี่ผู้หญิงรายงานคดีมา ว่ท่านนบีสอนบอกว่าอัชชามอับดุลมห์ซัดวันนัสรีประเทศชามประเทศชามประเทศชามมี 4-4 ่ประเทศนะสมัยโกเนี่ย 1. ปาเลสไตน์สเลบานอน 3. สซีเรีย 4. อิรักประเทศชาติมินเนอร์นะว้างแผ่นดินใหญ่หมดตรงนั้นจะเป็นที่รวมประชาชนในวันตี亚马 นี่เป็นความรู้อ่านแล้วสบายใจแค่เพียน้องทัวไล่เพียน้องอยากจะรู้ไหมว่าคนที่อยู่ในทุ่งม้าชัดนี่เพียน้องจะได้รับเกียรติจากอัลลอฮ์เนี่ยอยากอยากจะฟังไหมหรือไม่อยากฟังอยากหรือไม่อยา ก, อ, า อ, ยากอยากนะอามีทั้งหมดมีทั้งหมดสิบแปดสิบปดสบปดสบแปดประการทําได้สักห้าประการก็ยังดี ถ้าไม่มีเลยก็แย่ประการที่หนึ่งนะครับพอฟื้นขึ้นมานะอยู่วทุ่งมาชัิไปนน้องสง่างามต้องนึกภาพว่านะทุ่งมาชัิดวงอาทิตย์ห่างกับศรีรษะเรานิดเดียวนะนึกภาพร้อนั้ยโอ้โหถ้าจะอยู่แบบไม่ให้ร้อน ทำยังไงครับต้องมีต้องปฏิบัติตัวแบบนี้ก่อนตายเนึ่งถ้าเขาเป็นอิหม่ามคนเป็นผู้นำคนต้องเป็นผู้นำที่อาดิลที่ยุติธรรมแม่ก็เป็นอิหม่ามได้อิหม่ามในครอบครัวพ่อก็เป็นอิหม่ามได้ในครอบครัวถ้ามีลูกสิบคนเวลามีมหาเอกตัดสิน ล, ลูกยังไงนี่อิหม่ามเหมือนกันอิหม่ามมัสยิดอิหม่ามผูว่าอีกอะน้อง อิมามระดับชาติอะไรเปน็นอัที่เป็นอิมามผู้นำคนผู้นำคนตัดสินคนอย่าใช่อารมณ์ต้องาติหลักการในวันกียมาเขาสนา ง, งามครับประเทศที่สองนะครับหัวรอยูลุนกอลบูฮูมัลละกุนบิลมสซาิดคนที่หัวใจของเขาผูกพันกับมสัสยิดไม่ใช่ไม่ใช่กรรมการสุราก็ได้แต่ว่านึก พอได้เวลานมาฎแต่ยินเสียงอาญาผมรอกว่บบาบัตรเดินมาสู่เราเลยใครทําเป็นแบบนบีหามัดครับถ้ายิงอัญชารายงานเล่าบอกว่านบีอยู่บ้านเนี่ยเป็นกันเองกับฉันบางทีก็ให้หลานขี่หลังบ้างอะไรบ้างนาบีครานบนบ้างให้หลานให้หลานขี่หลัง น, นาบีเย็บรองเท้าปะรองเท้านาบีรีบนมแพะเองนบีกวาดบ้านเองช่วยภรรยา น บ, บีก็เข้าออห้องเข้าห้องครัวหันพริกบ้างอะไรบ้างเด็กๆเขช่วยภรรยาพี่น้องนี่นางเล่าเองนะแต่เมื่อน บ, บีได้ยินเสียงอาจารไม่รู้จักฉันเลยไปเลยไม่ยิ้มมันไปเลยรีบออกจากบ้านไปมสัสยิดเลยนี่ใครน บ, บีมุฮัมมัดทําเป็นแบบไรเราทำอย่างนี้ได้ไหมทำสิครับพี่น้องกาจะตาไปหมดแล้ว ฉะนั้นได้ยินเสียงอาจารย์ไปมสัสยิดเลยครับพีงคนแปลแบบนี้ในทุ่งมัสชัดสง่างามมากครับเพีนงองข้อที่3ชาบุนน่ชาฟียอิบะดาติร บ, บีฮีเด็กหนุ่มสาวด้วยพีน้องพห น, นุม่มหนุ่มสาวสาวเนี่ยมาได้สีเนื้อสียตัวกับใครพีน้องรักษาศาสนาของอัลลอเจริญเติบโตมาด้วยการรักอัลลอรักรอซูนพีน้องตายสง่างามมากในทุ่งมัสชัดนี่ข้อที่สาม ข้อที่สี่คนที่สี่นะครับอิห ม, ม่ามรยุรุตลตอนลบัตชูอิมรออตาตุลจาตมอนซอบินวัจยามาลินฟาก้อละอินเนอคอฟุลหรมีผู้ชายผู้ครับผู้หญิงมาจีบขับรถมาจอดเลยพี่ไปขหนูไปโรงแรมไม่ไปครับถ้าไม่ไปท่านกลัวหรอิก้าก่อนแล้วก็เอา ฮะชายอย่างนี้ในพี่น้องครับตายไปฟื้นขึ้นในวันเกียรมะอยู่ในทุกมาชัดสงา ง, งามครับพี่น้องเขาร้อนแต่เราไม่ร้อนเขามีเหงื่อแต่เราไม่มีเหงื่อในพี่น้องเอาไหมพยายามพยายามรักษาตัวให้ดีถ้าพลาดไปแล้วก็อสัส ล, ล่าฟิรุลลอฮ์ตะบัดตัวต่ อ, อลัลลอฮ์พี่ก็ครับต่อมาครับรดูล่านตะคาบาฟิน ล, ลาฮิวะตะฟรรารเราะอานัยฮิชายสองคนที่รักกันก็เพื่อ อ, อลัลลอฮ์ เกลียดกันไม่ถูกกันก็เพราะอัลลอฮ์อธิบายนะครับพี่น้องอาสามีภรรยาอยู่อยู่ด้วยกันพี่น้องนางก็มีศาสนาสามีก็มีศาสนาต่างคนต่างอยู่กันเพื่อรักษาขออัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์พึงพอใจอยู่กันไปเลยพี่น้องตายจะเข้าสวรรค์ทั้งสองทูลเลยพี่น้องภรรยาเป็นกาเฟเป็นกาฟโรคูชาเป็นมุสลิมอยู่ด้วยกันได้พี่น้องครับนับถือคนละศาสนา สมัยนบีมูซาน่ะได้ฟาโร่เป็นกาเฟสภรรยานึ้ออาซียะเป็นมุสลิมะอยู่ด้วยกันได้แต่สมัยนี้อยู่ไม่ได้กี่ถ้าอยู่กันอย่างนี้ไป่น้าะครับอย่าหวังเลยอย่าไปสบายกับอัลลอฮ์เมียเป็นกาเฟสหัวเป็นมุสลิมอยู่บ้านเดียวกันไปเนองอยู่เพื่อสังคมไม่ได้อยู่เพื่ออัลลอฮ์สุดห้ามนะฮุวะตาต่อมาครับอัรลอฮ์ยุนยุนตัสซัดยากก็ คนที่บริจาคทราบสมบัติของเขาอักฟาแล้วก็ปิดเป็นความลับเอาไว้โดยไม่ประกาศให้ใครรู้อัลลอฮ์พี่น้องอ้าวฉันรับสร้างสุเร่าหลังนี้สิบล้านเอาเงินให้ไม่ได้ไปทําโฆษณาฉันซื้อรถให้มสัสยิดนี้หนึ่งหลังซื้อรถบุริทิให้ให้มุทิตนี้หนึ่งไม่ได้หวังรางวัลตอบแทนจากใครจากอัลลอฮ์องเดียวพี่น้องนี่ไงวันเกียรมาสันงางามข้อที่เจ็ดวารอยูลุน จากการละห์เาเียนฝ่าฝันอดไอหน้าหันึกถึงอัลลอ์อยู่คนเดียวไปนอนแล้วก็ร้องให้มันก็ต้องขึ้นตอนตีสามตีสี่คนน้องเข้าหลับกันหมดเราขึ้นมาอาบหน้านามาดแปลงฟันนะครับยืนนมาดร้องให้ร้องโหยเสียใจที่ตัวเองทำผิดมาในทุ่งมัชัดเขาสน่า ง, งามมากคันพี้ น, อน้องข้อที่แปด่น้องมันอนัลลอฮ์มอซิรัน ใครที่เป็นเจ้าหนี้เราเอาเงินให้วันนี้เขายืมแสนหนึ่งอันนี้ห0า0มืนอันนั้นสองพันไปมองดูนี่มันมันเขายืมปีหนึ่งไม่ไม่ให้เลยตักเอาผ่อนอาก็ให้ให้ไปหเดือนตอนผ่อนปนหกเดือนลองตายในช่วงนี้คนคนนี้อยู่ในทุ่งมาชัด สบายมากครับพี่น้องแต่ต้องนมาดด้วยนะไม่ใช่ขาดนมาดผพอนนกับลูกนี่หรือไม่ก็ยกไปเลยเอาวะโดอาลาหูปล่อยไปเลยยกไปเลยมีหลายคนโทรศัพท์ามาปรึกษานะช่านเนี่ยมีญาติน้องกันบ้านอยู่ใกล้กันขอยืมเงินฉันไปเนี่ยหลายปีแล้วไม่ยอมใช้คืน แล้วคุณว่าไงอะ่ะขึ้นไปดูที่บ้านก็ไปไปแล้วเพราะว่าไงอะ่ะไปทวงก็บอกเขายังไม่มียังไม่มีฉันจะไปบอกตํารวจจับ ด, ดีไหมเขาบอกอย่าทําเลยผมก็อ่านคัจจ์นีน่นนนให้ฟังอะ่ะมันอ้างรอรอมอสซิลใครที่ผ่อนตนลุกนี่เอา้ารอไปอีกคงเดือนอีกหนึ่งปีถ้ามันรอแล้วมันให้ไม่ไหวยกไปเลย ามีอย่างนี้ด้วยเหรอนี่ไงอิสลามสอนอย่างนี้นบีสอนเอาเปล่เออเอาเอาพอได้ไปบอกก็เลยฉันยกนี่ให้คุณมีมากิ่คนมีกี่คนครับเขายืมเงินลราไปน่ะพี่น้องแล้วเรามันก็พอมีพอกินมันก็แย่เหมือนกันไปมองดูอถ้างั้นไอการยกนี้น่ะดีไหมพี่น้องอรอยิ่งใหญ่นะพี่น้องนี่เวลาไม่ทันนั้นี่อะต่อมาครับ ข้อที่เก้าอาหารซึโนกุมอัคลากอนคนที่มีมารยาทงามฟื้นขึ้นมาอัลลอฮฺอัอลลอฮฺจะอยู่ในสวนอยู่ในทุ่งมหชัชชาก่อนเข้าสวรรค์ไม่เป็นน้องนะไม่มีอันตรายไอยใบตั้งสิมมารยาทงามงามอ้ามารยาทงามอธิบายไงครับเป็นอ้อเคารพพ่อแม่ให้เกียรติพ่อแม่ไม่ด่าพ่อแม่นี่ยคนมีมารยาทงามลุสลีมากกแต่งกายไม่ชิดแนตะ่คนนี้มีมารยาทงาม แล้วก็พูดจาพอเพราะอย่าพูดด่าคนนินทาใส่ร้ายไม่เอาพี่น้องได้ยินเสียงอาจารย์ไอ้มัสยิดเลยพี่น้องเนี่ยคนที่มีมารยาทงามพี่น้องก็ในทุ่งมาชาติเขาเอลออลวัดพี่น้องยิ่งใหญ่จริงๆนะครับเอาขอ้อที่ครับให้เก่งเลย อ, อาจารย์จะสิ่งไม่มาเอาได้เลยคือช่วงงันได้อางั้นก็เหลือเวลาเข้ามือเวลาข้อที่9ครับข้อที่ข้อที่10มันตรกันลิบาส แต่ว่ดูอันลิลลัฮีวายกักเดรโอาลัยฮีคนที่มีความสามารถจะแต่งตัวตามแฟชั่นก็ได้เดี๋ยวแฟชั่นออกใหม่ใช่ไหมตัวเนี้ยเปิดหลังยตัวอย่างเปิดหลังแฟชั่นออกใหม่มาจากนู่นน่ะเอ่อมาจากฝรั่งเศสเขาเปิดหลังกันหมดเลยพี่น้อง เราอยู่เมืองไทยเป็นมุสลิมแต่งด้วยเดินตามแฟชั่นใครที่แต่งตัวตามแฟชั่นไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับรางวัลตอบแทนจากอัลลอ์ที่ทุ่งมชัศแต่ถ้าก็ขวางแฟชั่นแบบฉันไม่เอาแฟชั่นแบบนี้ฉันเอาแฟชั่นที่มาจากอัลลอ์ดีกว่าแฟชั่นอัลลอ์ผ่านยิบรีนขึ้นไปห้าร้อปีลงมาอีกห้าร้อยปี มาให้กับนบีอยู่ในคัมภีรุรานแต่งกายให้มิดชิดนี่เป็นแฟชั่นที่มาจากตัลอกไอ้อส่วนแฟชั่นเปิดหลังเปิดอกโชว์เฉพาะหน้าอกนิดิดในหน่อยพี่น้องนั่นแฟชั่นที่มาจากฝรั่งเศสฉันไม่เอาคนอย่างนี้ฟื้นขึ้นมาในวันตียมาในทุ่งมาชัตสมานะห้มดูลิลยต่อมาข้อที่ส1เอ็ด อินน้าอุมมัดียาดะอุนยาอุมล์กิยามะกรรนผู้ผจิลิมมินอาซาริลุดูเก็บน้ำน้ำมาอัลลอฮฺอักบะตมีน้ำน้ำมาซึ่งเราทำกันอยู่แล้วพี่น้องนี่ไงของนึงที่เราได้ชัดๆนะมีน้ำน้ำมาพี่น้องแปลงฟันอาบน้ำน้ำมาให้ทั่วถึง คนที่มีน้นํานมาสอยู่บนดุลยานี้รักษาน้นํานมาสอยู่เป็นประจําในทุ่งมัชัฟอัลลอฮ์นบีก็จําเราได้พอนบียืนโอ oh, ้นั่นพวกฉันนั่นพวกฉันพวกฉันพวกฉันเรียกเข้ามาเรียกเข้ามาอะไร่องรอยของการอาบน้านมาสมันสางาที่ใบหน้าที่แขนที่ขาที่ศีรษะก็เป็นน้องต่อรางต้องอย่าลืมนะให้ทุ่งมัชชัฟเป็นน้องแก้ผ้ากันบนเลยนะ ไม่มีใครใส่เสื้อพระเนกเก็ตหมดเลยไปนอกระ เ, ล, เลือยกายกันหมดคนที่จะนุ่งผ้าคนแรกคือนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสาลาฮในท่านนบีมูฮัมหมัดเล่าเองรองลงมานบีมูฮัมหมัดคนที่สองแล้วก็พวกเราก็มาตามมาอุมมะนบีมูฮัมหมัดพวกเรานะครับ จะค่อยๆมีอาพอรใส่ใส่ใส่ใทยอยกันมาไปน้องคนกาเฟ่ก็ยังแก้ผ้าเหมือนเดิมสาวพวกเรานี้ยก็ค่อยๆนุ่งทิ้ทุ่งผ่านทีละคตนตะกบนตะกบนตะกบนกบนตะกบเต็มทุนมาสัตวเลยครับไปน้องใคร อ, ค <น S 1> อยากจะแก้ผ้ากางเกียมั้งแบบปะัสสายะเลยเชิญตามสบายยา น, ยานามาดยาอาบน้ํานมาดไปน้องมีนี่กับทวงนี่อัตหลวัไปจับไปเลยไปน้อง ดีขี้กับที่คือพันตายตายกันไปนอนคือก็ถูรุ่นถูกเนี่ยโหดะท่วงนี้แบบโหดโหดนะคายสอนไป Gotta, น้องไปท่วงนี้แบบโหดโหดมีไหมโอ้โหอันซื้อพิมพ์มาเจอเลยไปนอนต่อมาข้อที่สิบสองครับคนที่มีเกียรติอัลลอฮฺจะยกย่องให้เกียรติอีกกลุ่มหนึ่งก็คืออันมุอัซีนูนอาตุวลุนนาสิอานากอนเยอแมนกียามะ ท่านอิหม่ามอิบนุมาจ้ะคนที่อาจารย์นี่งานงานมัสยิดมาแล้วคนที่อาจารย์พี่น้องในวันตียามะในทุ่งมัชชัดอตัตวะลุนนาเสียหนาก่อนคอของเขาเนี่ยยาวระหงสวยเดินรู้แหละวคนนี้เป็นมูอัจินตอนอยู่บนโลกดุนยาคอเขาระหงสวยแต่ต้องอาจารย์นานาถึงแปดปีนะ แต่ตอนนี้อัฐบาลก็ให้พันหน่งคนอาจารย์ในเดือนละพันนะครับเอาใครมีลูกมีหลานหรือว่ามีสามีเป็นมมอาจินอนะ่ะเขาจะไปสวรรค์อ่ะแต่เมียโมอาจินจะไปหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งลูกชายโมอาจินจะได้ไปสวรรค์หรือเปล่าในทุ่ง ม, มาชัดอยู่สบายหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งแต่ตัวคนมมอัาจินอนะ่ะเขาผ่านแล้วเหรอ ข้อที่สิบสามครับพี่น้องอัลโมตาฮาบูนัฟีจาราลีคนที่เขารักใคร่กันพี่น้องอย่างผมเนี่ยติดต่อกับอา จ, จารย์อัลลุกอรีในพี่น้นองผมก็ไปบรรยายที่มสัสยิดอัลลุลกอรีดารุลกอรีที่ทุ่เนื่อที่อะไรนั่นที่น้องจอแล้วผมก็มาบรรยายมาช่วยกันที่อันยูมันถามว่าเราเนี่ยรักกันอ่ะเพราะอัลลอฮฺ เพองานศาสนารักกันเพราะเผยแผ่ อ, อิสลามสอนอิสลามให้ผู้ที่ไม่เข้าใจอิสลามได้เข้าใจอิสลามได้อ่านกูร์านออกพี่น้องเราทํางานเพื่อหวังความเมตตาจากอัลลอฮ์เรารักกันพี่น้องคนที่รักกันบนโลกดุนยานพี่น้องไม่ใช่เพื่อเงินไม่ใช่เพื่อเงิน มาจากคนนี้มีศักดิ์ศรีเกียรติจะอาศัยอิทธิพลกัไม่มีพี่น้องผมไม่รู้จักใครเลยในรัฐบาลพี่น้องตำรวจผมก็ไม่รู้จักแต่เรารักกันจะหนีมาอัมรุกอันีเนี่ยอายุพอๆกันพี่น้องเก้าสิบเอชชายอายุทชายแน่พี่น้องเรารักกันเพื่ออลัลลอฮ์พี่น้องมาได้วันยังอือเลยนี่ค่ะคนที่รักกันเพื่ออลัลลอฮ์พี่น้องเพื่ อ, อยก ย่อมอัลลอฮ์สุบฮานาบูฮฺอลเขาจะมีเกียรติในทุ่งมหชรพี่น้องมุสลิมก็ได้รับการตั้งกลุ่มสักสิบคนเรานี่รวมกันพี่น้องพูดเรื่องอิสลามอย่างเดียวมีคัลละก์กุรานนั่งอ่านกุรานรวมๆการตอนเช้าๆอาทิตย์ละหนึ่งครั้งอวันอาทิตย์ไปรวมตัวกันที่บ้านชั้นนะ รัวกันที่บ้านเปิดแอร์เย็นๆอีกคนหนึ่งเอาอาหารมาเลี้ยงอีกโอ้โหพี่น้องอีกคนหนึ่งเอารถมาจอดหน้าบ้านเวลาไปส่งอีกพี่น้องแล้วก็มีคนมาบริการอีแกแจกคนละพันละพันละป่ะอลอิล พ, พี่น้องทํากันเพื่ออะไรนะเพื่ออัลลอฮ์สุบฮานาฮูวาตาลาเขรียอัลมุตฮาบุนคนที่รักกันไปมาหาสู่กันเพื่อหวังความเมตตาจากอัลลอฮ์สุบฮานาฮูวาตาลาต่อมาข้อที่14ี่คือน้อง อัดีลูนฟีมีหิมละอลฮมคนที่ตัดสินตัดสินพี่น้องลูกทะเลาะกันจะตัดสินยังไงอ่ะถ้าหารออรัดจะอยู่ในทุกมาชาัดแบบสง่างามต้องตัดสินด้วยความเป็นธรรมผิดก็ว่าผิดถูกก็ว่าถูกพี่นอ้องยายไปตัดสินข้าว ข, ข้ามกันเลยพี่น้อง เนี่ยนี่ไม่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นอิหมา่ามเป็นครูาอาจารย์อะไรก็แตมีปัญหากลับมาต้องตัดสินแบบยุติธรรมที่สุดนะพี่น้องเราจะให้อยู่ในทุกมาชัดแบบสง่างานมะข้อที่สิบห้าพี่น้องมันก้าดมาวขาอยู่กอนใครที่ระ ง, งับความโกรธอ่าในเรื่องของเราทุกคนเลยพี่น้องทุกคนมีความโกรธไหมมีมีด้วยความโกรธด้วยกันทุกคน เวลาโกรธแล้วส่วนใหญ่มักจะแสดงบางทีความแก้วบางทีก็ดา่าบางทีก็สะไตในูงข้าวให้สามีกินสามีก็สไตไม่กลับอกแล้วก็ตามแต่สไตพี่น้องใครที่ควบคุมอารมณ์โกรธอยากแสดงให้เขาได้เห็นโอ๋อพี่น้องครับ ทั้งๆที่มีความสามารถจะแสดงก็ได้แต่ไม่แสดงเก็บอารมณ์เอาไว้พี่น้องแล้วก็ว่าอย่างนี้ mm hmm. อุซบิลลาฮิมินัสไซอูตนิุโรยีไม่แสดงอาการโกรดหน้าก็ไม่แดงแต่อยู่ข้างในเดือเดเขารอ mm hmm. พี่น้องนั่นแหละคนที่ทําแบบนี้ในทุกมัชั่นเขาจะสง่างามาพี่น้องครับนึกถึงครอบครัวนาดี คอบครัวนบีไปนอนกับนบีบอกว่าไอชาไอชาจ๋าฉันรู้นะว่าเธอเนี่ยพอใจฉันหรือไม่พอใจฉันฉันรู้โอ้เห็นไหมนบีบอกว่าฉันเป็นสามีฉันรู้นะว่าภรรยาเนี่ยพอใจฉันวันไหนและวันไหนไม่พอใจฉันนักว่าลองเล่ามาให้เราก็้ารู้ว่า นบีก็บอกว่าวันไหนที่เธอพอใจฉันเธอจะพูดอย่างนี้พอเล่าเล่าเรื่องอะไรให้ฟังขอสาบานต่อ Allah, พอพัลลอฮ์ผู้อภิบาลของนบีมุฮัมมัดแสดงว่านามพอใจนบีวันไหนไม่พอใจเวลาเล่าเรื่องอะไรก็ตามพอจะสาบานว่างี้ฉันขอสาบานต่อ Allah, พอพัลลอฮ์ผู้อภิบาลของนบีอิบรอฮีมเพราะนบีมีเยอะใช่ไหมลนะ่ะ น่าจะเอ่ยนบีมุฮัมมัดไม่เอ่ยเอ่ยนบีอิบรอฮีมหา ก, กันตั้งกี่พันปีแล้วก็นางก็เล่าว่าฉันนี่นะเวลาโมโหโนบีมโหสามีไม่เอ่ยชื่อนบีไม่อยัดเอ่ยชื่อเอ่ยชื่อนบีอิบรอฮิมแทนอาพวกเรามีมีอย่างนี้มาเป็นตัวอย่างหุงข้าวหุงข้าให้กินเหมือนเดิมซักเสื้อผ้าให้ใส่เหมือนเดิม แล้วก็จัดที่นอนให้นอนเหมือนเดิมนมาตามในบีบุกนบิบคือทําดีหมดทุกอย่างยกเว้นอยู่รายการเดียวอะไรรู้ไหมไม่เอ่ยชื่อไม่เอ่ยชื่อดาไหมไหมไม่มีอมาดูภรรยาพวกเราไม่ใช่พวกเราเยอะที่อื่นที่อื่ น, ท, นที่นี่ก็ดีหมดแล้วที่อื่นไอ้แก้วางยิบ่าง แล้วก็คดข้าวเองน่ะประทูอยู่ที่ยิบเองนี่พวกเราเอ่เสื้อวันนี้รีดเองนะฉันไม่รีดให้นี่นี่ น, น, นี่นี่พวกเราแต่พรรยายนาบีทำทุกอย่างเหมือนปกติยกเว้นตอนจะสาบานสาบานต่อพระผู้อภิบาลของนบีอิบราฮิไม่เอ่ยหมาหมัดเพราะหมสศ เห็นไหมพี่น้องนั่นตัวอย่างดีๆเอามาใช้ในชีวิตประจาวันพี่น้องเอ้ยครอบครัวจะมีความสุขไหมอ๋ออาภัตแต่อย่าลืมพี่น้องครับภรรยาต้องแต่งตัวสวยๆต่อหน้าใครครับตอนจะนอนพี่น้องใส่น้าพรมน้ําหอมอย่าใส่ยว่มองพัดเลยนตกลงว่าควบคุมอารมณ์ฮะเวลาโกรธอย่าแสดงพี่น้องเก็บเอาไว้รางวัลที่ดวงมาชัดดูน่ะเห็นไหม อัลลอฮฺไปโผล่ดีทุกมาชัดเท็นยังครับอดทนตรงนี้จนกระทั่งตายคนละบุญไปเจอดีทุกมาชัดอัลลอฮฺฉันสง่างามแบบนี้เลยเนี่ยอัลลอฮฺอัครวัดเมตตามีนงมีน้ ม, นา ม, มาให้เดิมอัลลอฮฺนบีตักน้ำไม่ดิ่มเพราะฉันทําความดีกับสามีของฉันห้าม ด, ดูเลยเลยต่อมาข้อที่18ข้อที่16มันนับฟซาอ่าใครที่ เรียกว่าอะไรนะปวดทุกข์ปวดทุกข์ช่วยเหลือคนคนที่กำลังมีปัญหาเดือดร้อนเราไปช่วยเขาแก้ปัญหาให้พี่น้องอยกตัวอย่างพี่น้องเรามีรถพี่น้องเรามีรถริมบ้านในพี่น้องครับลูกเขาป่วยอ่ะสามีก็ไม่อยู่มีแต่แม่อยู่คนเดียว แม่ก็มายืนรอรถแท็กซี่จ ะ, จะเรียกรถแท็กซี่มารับลูกไปโรงพยาบาลหน่อยถ้วว่ามีอะไรเลยลูกบว่ารถชันมีเอาขับเลยมาไปน้องเอาเอาลูกใส่รถไปเราขับไปโรงพยาบาลช่วยเขาอย่างนี้ก็เรียกว่านับฟาซาใครที่ช่วยปลดทุกข์ความลาบากให้กับคนคนหนึ่งเอารถจะปลดทุกเรื่องของเราในวันอาคีรัที่ต้่งมาชัดกันป ทางอิสลามเนี่ยส่งเสริมไม่ช่วยคนใช่ไหมช่วยดีไหมแต่ต้องช่วยใจเพื่อใครเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานาหูวาตาลาบางคนน่ะช่วยคนหวังให้หวังอย่างนี้เขาจะได้มาดูแลฉันตอนฉันไม่สบายอย่าไปเนียดกั้นะพี่น้องนี่จะเอางเงินทองมาใช้ให้เรื่อยๆทาบุญทําบุ ญ, บญต่เนียดอย่างเดียวนะเวลาเรามีปัญหาจะชายงานมันง่ายหน่อยอย่าไปเนียดกันนั่นไปน้องคนที่ก็ถูกช่วยเหลือน่ะเขาคิดอยู่แล้วว่า คนนี้ถามมีว่าฉันจะช่วยเขาคิดอยู่แล้วในใจของเขาเน่ยเราไม่ต้องไปคิดแทนก็หรอกเราคิดถึงอเลาะนะฉันต้องการอเลาะพึงพอใจในชีวิตของฉันต่อมาข้อที่17กับมัญญสสาใครที่ให้ความสะดวกอ่าพี่น้องให้ความสะดวกสบายกับคนที่มีความอึดอัดความลาบากเราไปช่วยครับพี่น้อง อันอันแรกเนี่ยไปปวดทุกข์เขาอันนี้ก็เขาลําบากช่วยให้เขาได้คล่อมขึ้นพี่น้องอายุกตัวอย่างเดิเดนเนี่ยขับเพื่อเดินข้ามถนนเนี่ยร้อยมีคนแก่คนหนึ่งเนี่ยกลัวกวกลัวขอก็มีอยู่แล้วพายุงเขานิดหนึ่งต้อเดินจูมือเขาข้ามถนนได้พลบุญนะแต่ใจต้องนึกถึงอัลลอฮ์สุบฮานุลละฉันทําเพื่อ อ, อัลลอฮ์ผมมีเพื่อนอยู่คนอสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยในยจุฬาลงกรณ์เนี่ย ทล่าใหฟังอ่ะผูนิไ้ไทยมาอย่างดีเลยวันนั้นอ่ะด้วยจิตสํานึกที่เราเรียนาศาสนากันมาไปน้องรถมาตายรถของเพื่อนอีกคนหนึ่งมาตายอยู่หน้ามหาวิทยาลัยเขาก็จะเข้ามหาวิทยาลัยอยู่แล้วไปนองครับเป็นรถก็ตายเขาเข็นคนเดียวอันนี้รถตจอดไปนองช่วยไปเข็นด้วยหรือว่าไอ้นิ้วยังอยู่ที่คออยู่ก็ไปเข็นรถมักติจะกของรถโอ้โหดีใจเหมือน ก, กระจการไม่ต้องไม่ต้องไม่น้อง คือจิตสำนึกที่เราเ ป, เ, ปเป็นมุสลิมที่อ่านฮะดีษบาฏเยอะๆว่าอยากจะช่วยเหลือคนรถตายอย่าไปเข็นเขาอะไรเขาช่วยหมดพี่น้องแต่มง่อี้ก็ลืมพี่น้องลืมก็คิดถึงอัลล์สุบฮานะหัวตาลาไพ่ต้องช่วยก็เถิดนะช่วยกันด้วยความด้วยความหวังที่มีต่ออัลลอฮ์นะพี่น้องเข้อสุดท้ายข้อที่18มันซาตอมุสลิมันใครที่ปกปิด เก็บความลับของเขาไว้ถ้าโฆษณานะ่คนเชื่อหมดเลยเพราะเราเป็นคนดังด้วยพี่น้องถ้าไปโฆษณาว่าคนคนนี้นเ่เร็วพอพูดปั๊บเนี่ยคนรู้เลยนะแล้วเชื่อเลยนะอาจารย์บุญฟ้าเล่าให้ฟังว่าคนนี้เร็วโอ้โหไปน้องคนเชื่อไหมเชื่อแต่ปิดเอาไว้ความลับของเขาที่เขาทำอะไรไม่ดีี่น้อง เก็บความลับของเขาว่าปกปิดเอาไว้พี่นอ้ อ, นองเอาล็อก็จะปกปิดความลับของเราในทุ่งม้าชัดเอนกันพี่น้องเอาไงเอาปกปิดความลับดีกว่านะแล้วก็เอาล็อก็จะปกปิดความลับของเราในทุง่งทั้งหมด18รายการจะทําให้ใครที่มี18รายการนี้หรือมีทุกสิบรายการเลยดีไหมดีมากๆมีสักสองข้อสามข้อก็ยังดีพี่น้องนะไม่ใช่ไม่มีเลยเลยพี่น้อง จะทำให้เรา ส, สง่างามในทุ่มมันชัดบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮัมแสดงว่าลูกศิษย์รักอาจารย์มุสซาฟามากรักเพื่ออัลลอฮ์ปัญหาแย่ดีแล้วเกินครับ นะดีมากทุกคนต้องมานะที่หลังต้องทําแบบเขาสอนมวลรัพที่มัสยิดวรรัพที่มัสยิดเขาสอนนะก็ตกลงว่าสอนใบสอนมาไม่มีคนมาเรียนต้องเปลี่ยนเลี้ยงข้าวเขาไม่มาแกกต่างคนละ ร, ร้อยอาเดลีอาเดลีไปไหนต้องบอกฮาดีโมมา ด, ดานานนะต้องแกกต่างคนละ ร, ร้อยต้องใช้ระบบนี้ เพราะฉะนั้นว่าที่ครูกับอาจา ร, รย์มุตาที่ทำงานกับสันติชนมาเมื่อปีพศอ .2525 อเริ่มงานกันตรงนั้นนะครับก็รักเพื่อรออยู่เพื่อรอก็ได้มาทำงานร่วมกันเดี๋ยวให้เดี๋ยวผมถามก่อนเขาคำถามครูก็มีเหมือนกันเพราะว่าถามก่อนที่ว่าทำแบบอย่างนะบีนะต้องมีภรรยาได้กี่คน Ờ, ในคัมภีร์อัลกุรอานอธิบายบาว่าฟังกี่เขามาตอบาลักุมมินันิท่านทั้งหลายจงแต่งงานกับคนที่ท่านถูกใจโดนใจพอใจกับผู้หญิงสตรีนะถ้ามีความสามารถเนี่ยแต่งเกินหนึ่งได้ถ้ามีความสามารถนะเกินหนึ่งได้แต่ถ้าไม่มีความสามารถ ก็ฟังก็ให้แต่งงานคนเดียวคนเดียวเนี่ยสหรับคนอ่อนแอนะผมเนี่ยอ่อนแอผมอ่อนแอครับพี่น้องก็ขอแต่งคนเดียวก่อนก่อนนะก่อนอิสานเหรอก็ดูจังดูจังหวะพอมีใครชอบบ้าง <c oughs> คนนี้มาเนี่ยคนนี้ครูมีข่าวดีนิดนึง ทุกเดือนเนี่ยอาเรีกับฮาเยสันนะแล้วก็ให้มุสลิมมาด้วยเราออกรายการวิทยุดีไหมเพราะวัยุ่นเนี่ยเขาอยากฟังผู้เข้ารับอิสลามที่โรงแรมมีอยู่ทุกวันเสาร์กูออกคนเดียวแต่เราพูดเรื่องสมาคมผู้เขา้าอิสลามเรียกว่าสมาคมวารับก็เราจะให้พวกเราออกผู้หญิงมุสลิมมาที่มานี้ก็หมายถึงว่าออกก็มีถามกัน ให้อดีสันไปถามมั่งอดีลีมั่งแล้วครูบังคนนี้ทํางานอยู่ที่โรงแรมแล้วเดี๋ยวนัดกันวันนี้เดี๋ยววันนี้ต้องประชุมนะอย่าบังกลับนะแล้วก็เลี้ยงข้าวคำวันอัดยิ่งมุหมัดนานารออยู่เพราะอัดยิ่มุหมัดนานานี่แกมีใจรักผู้เขารับอิสลามบางไม่ใช่รักผู้หญิงนะรักทั้งหมดทั้งผู้ชายผู้หญิงเพราะครูจะเจอกันทุกวันเสาร์วันหยที่โรงแรมนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยว ต้องขอร้องพวกเราว่าคุยกันเสาไหนเดือนละครั้งก็ได้ที่เราจะต้องออกในการวิวด้วยนะอะคนนี้อยู่ประจําแล้วเดี๋ยวให้คนนี้เป็นผูดน้ดําเนินการนัดนัดกันเลยว่าเดือนหน้ามีใครทุกคนไม่ใช่ผู้รรัฐบาลอย่างเดียวคนที่มาที่นี่น ะ, ะเดี๋ยวอาซันมาอ่านคําถามเลยคำถามมากมายดีแล้วกันครับเอาัมดุลและ บิสมิลาาลาขุลรอห์มาบบนุริมเรืองแต่ข้อแรกนะครับผ ม, รบผมเรื่องของ z a ก, กา t นะครับผม z a ก, กา t จ่ายให้กับคนที่ไม่ใช่มุสลิมได้ไหมครับบิสมิลลาขุลรอห์มานุลรอฮิม z a ก, กา t นี้พี่น้องพยายามจ่ายให้มุสลิมก่อนถ้าถ้ามุสลิมเหลือก็ไปถึงมือคนกาเฟตที่างนะครับแต่จ่ายได้ไหมได้แต่ดูดูพวกเราก่อนนะครับผมเชื่อถือว่า ได้แต <ừ> ่ตามจุดท้ายเลยนะครับให้รู้ก่อนข้อต่อไปถ้าผมเราเป็นคนเขารับอิสลามทําไมอเลาะไม่รักเราเลยทดสอบเราหนักมากๆเราไม่เคยโชคดาเท่านี้มาก่อนเลยอาจารย์ช่วยอธิบายด้วยครับรับอิสลามเนี่ยมีโทษหรือไงคือหลังจากรับแล้วมันอโชคไม่ดีเลยโดนทดสอบหนักมากมากอเราไม่รักหรือไงคะ อัลลอฮฺทรทดสอบจากอัลลอฮฺเนี่ยอัลลอฮฺชอบที่จะทดสอบการทดสอบจากอัลลอเนี่ยไม่ใช่ให้ให้สบายอย่างเดียวนะความสบายก็เป็นการทดสอบและความลำบากก็เป็นการทดสอบฉด้ า, า น, นคนที่ถูกอัลลอฮทดสอบถ้าอดทนนะอดทนก็มีรางวัลยิ่งใหญ่ห้ือเถิอันขอยกตัวอย่าง น, นบีอิบราฮิมอาลัยฮม ตอนถูกจับโยนใส่ไฟอถูกแก้ผ้าก่อนนะ น, นักเก็ตเลยเปลือยกายเลยแล้วก็โยนใส่ไฟเนี่ยนั่นถูกทุบศอบปากแล้วมีอิบราฮิมทำอะไรอ่ะไม่ทําอะไรผิดเป็นมุสลิมด้วยเราเผยแผ่ศาสนาด้วยถูกโยนใส่ไฟระหว่างที่โยนอยู่ในอากาศเนี่ยมาเลาก้าวมาถามมาว่าให้ฉันช่วยไหมบอกไม่เอาถ้าเราเอา แต่อัลลอห์นี่ฉันเอาแต่มลิกาฉันไม่เอาให้แม่ใจก็ผูกพันกับใครครับผูกพันกับท่านหัวใจดีวัล้อัลลอฮ์ทดสอบต้องการจะให้เราเนี่ยหัวใจผูกพันกับอัลลอฮ์เยอะเอะถ้าเราผูกพันกับอัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์คุ้มครองหมดเลยนบีอิบรอฮิบัวฉันไม่เอามลิกาแต่เอาใครเอาอัลลอฮ์เช่นได้อัลลอฮ์สั่งให้ไฟเย็นเห็นยัง น, นี่ไงนี่การทดสอบจากอัลลอฮ์ถามว่านาบีมุฮัมมัดเนี่ยเป็นนบีคนสุดท้ายยิ่งใหญ่ขนาดไหนแต่บ้านนาบีเล็กนิดเดียวอะ เวละสุญยุดลงไปนมัสารเจอเท้าภรรยาภรรยาก็ต้องยกเท้าขึ้นนบีก็สูญยุดยกมือติดหลัคาบ้านไปเนาะ น, นั่นบ้านนาบีดูบ้านเราซิโอ้โหสามชั้นอันนี้ก็ว่างอันนี้ก็ว่างอันนี้ก็ว่างอันนี้อลัลลอฮ์ให้ฉะนั้นการทดสอบจอากอัลลอฮ์จะเป็นเรื่องลําบากหรือสบายดีทั้งหมดเท่าเราคิดเป็นนะครับข้อต่อไปครับอาจารย์อันนี้เรื่องของรเรื่องมันยาวนิดหนึ่งน เขาบอกว่ามีคนถามว่าถามเขานะว่าอัลลอฮ์อยู่ที่ไหนอืเขาตอบว่าอยู่บนชั้นฟ้าคนถามบอกว่าพอืที่จริงอัลลอฮ์อยู่ทุกทุกที่ที่มีบอกว่าอยู่ชั้นฟ้าน่ะเป็นแค่น้ำมาทํำข้อเก่าถูกไหมครับอพี่น้องหลครับคําตอนเป็นคำภี์กุรานอัลลอฮ์เนี่ยอยู่บนชั้นฟ้าอยู่บนบัลลังก์ของอัลลอฮ์ แต่ความรู้ของพระองค์นั้น everywhere อัลลอฮ์อยู่ทุกคนทุกแห่งในความรู้ของพระองค์เห็นการเห็นของพระองค์การได้ยินของพระองค์นั้นอยู่ทุกคนทุกแห่งทั่วโลกใบนี้เลยแต่ว่าสถิตอยู่บนชั้นฟ้าบนบัลลังก์แต่ความรู้ของอัลลอฮ์นั้นอัลลอฮ์รู้ทุกคนหมดเลยว่าเขาคิดอะไรแล้วก็เห็นด้วยแล้วก็ได้ยินด้วยเขาพูดได้ยินหมดเลยไม่ใช่ไม่ใช่ ตัวอั you, วลลอฮ์อยู่ทุกหนทุกไม่ใช่นะความรู้ของอัลลอฮ์นั้นอยู่ทุกหนทุกแหง่งอัลลอฮ์ทรงเห็นคนทุกหนทุกแหง่งแล้วก็ได้ยินเรื่องที่เขาพูดทุกหนทุกแหง่งนะครับคําตอบมันน่ะผิดครับครับเดี๋ยวสั่นเดี๋ยวกูถามอาจารย์นิดนึงครับในอัลกุรอานประโยคนี้จะใช้ได้ไหมครับที่ว่าอัลลอฮ์อยู่อัลลอฮ์อยู่ที่ไหนละหูมาฟิสตมาวาตูมาฟิลัดใช่ ได้ไหม ค, ค, ครับอาจารย์คับอาจารย์ตอบหน่อยครับคือคําตอบละหูมาฟิสมาวาเทวมาฟิลัดสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินอัลลอฮ์รู้หมดสิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าทั้งหมดอัลลอฮ์รู้หมดและเป็นของอัลลอฮ์องค์เดียวอัลลอฮ์อยู่บนชั้นฟ้าแต่ความรู้ของพระองค์อยู่ทุกหนทุกแห่งนะครับที่พูดว่าอัลลอฮ์อยู่ทุกแห่งนั้นเป็นความคิดของพวกอัชอารี ไม่ใช่ไม่ใช่นบีนะครับเป็นอุลามะรุ่นเก่าๆนี่เองครับและอีกประโยคหนึ่งครับที่อัลลอฮฺบอกไว้ว่าว่าเชอคุซีอยู่สมาวะติวัลอัดที่ว่าประทับอยู่บนไหนว่าเก้าอี้นั่นคืออะไรคําว่าเก้าอี้นั่นคืออะไรครับเคาว่าเก้าอี้ในภาษากุปถานคือกุซีคุซีแปลว่าเก้าอี้หรือว่าบัลลัง บัน ล, ลังอยู่อยู่อยู่บชั้นฟ้าเก้าอี้ของอัลลอฮ์นี่ไงใหญ่กว่าชั้นฟ้าและแผ่นดินใหญ่กว่าชั้นฟ้าและแผ่นดินทุกชัยิ่งให่จินตนาการไม่สามารถจะจินจินตนาการได้ว่าอัลลอฮ์นี่ยิ่งใหญ่ขนาดไหนเกินความสามารถที่เราจะจะนึกนะเพราะยิ่งใหญ่ว่าใหญ่กว่าโลกใบนี้ก็แล้วกันนะครับครับต่บอไปท่านอาารย์ไหนขอนี้ใหญ่ที่จะขออะไรจากอัลลอฮ ให้มากที่สุดและจะบ่อยที่สุดนี่ครับถ้าจะขอจากอัลลอฮ์นะครับท่านหญิงอาอิชะลูกสาวนาบีเองนบีสั่งลูกเอ้ยซอ บ, บ้านนบีกรมการอยากจะอยู่ใกล้กับนบีนมีอย่างเงี้ยให้ขอให้สู้ยุดเยอะเยอะแล้วก็ขอขอให้อยู่กับนบีนั่นแหละแต่ต้องสู้ยุดธ์นะ ต้องสู้หยุดเยอะๆแล้วขอข อ, อได้ครับขอให้อยู่กับนบีใน ส, นสวนสวรรค์เป็นกานขอที่ดีที่สุดก็ขอให้อยู่ในสวรรค์เนี่แหละอยู่กับใครอยู่กับท่านนาบขีขอตอนไหนตอนใดครับตอนสูดยดขอตอนนั้นดีที่สุดได้นามาด้วยจะขอดวอาด้วยนะครับให้ทำเวลาครับผมทำคำต่อไปครับในคำามของชาสวรรค์ครับสวรรค์มี ร้อชั้นในแต่ละชั้นเนี่ยสามารถขึ้นไปเยี่ยมเยียนมาได้เนี่ยเขาถามไม่เบื่อครับพี่น้องครับขอดูอาให้เข้าสวรรค์ก่อนนะเวลาขอเนี่ยต้องขอชั้นชุดดาชั้นชั้นสวรรค์ที่สูงที่สุดพี่น้องพอเข้าไปแล้วพี่น้องอยากจะไปเยี่ยมสวรรค์ชั้นห้าชั้นหกชั้นเจ็ดสิบแปดสิบได้เลยไม่มีปัญหามีดาวเทียมให้ให้ให้ให้ให้ให้ช้ด้วย โอ้พดชยี่ยมตลอดเวลาบางทีนึกอยากจะดูสวรรค์ท่านที่ยี่บอัลลอ์เอามาอยู่ข้างๆ เ, เห็นยังไม่ต้องเดินแล้วนะครับหยิบมาเลยให้ดูอลัลลอฮ์เราไม่รู้จินตนาการขนาดไหนนึกไม่ถึงครับไม่ต้องเดินให้เหนื่อยอลัลลอ์พามาให้ชมฟรีๆเลยก็ได้แหวนหนังอันนี้เป็นคำถามของผู้คารวิสลามที่มาส่วนมากีพราว่ า, มาไม่ต้องขึ้นลิฟต์นะไม่ต้องขึ้นลิฟต์ ได้ไหมครับอาจครับก็ได้ครับรชิญครับ่อ้าพูดถึงเรื่องขอ ง, งอาทิตย์ที่ขึ้นทางตะวตกครับเราถามว่าหลังจากที่ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตกแล้วโลกจะแตกเลยไหมครับความจริงไแตนครับความจริงเรื่องโลกแตกเนี่ยคุณอ่านบอกว่าอย่างงี้ยะตะทีหิมุสะบาตตันวันโลกแตกมาโดยกระทันหัน ฉับพลันโดยไม่มีใครรู้ตัวมาก่อนแต่มาวันศุกร์ท่านวันศุกร์หนึ่งมุสลิมต้องเตรียมพร้อมหมดแล้วอาบน้ําน้ำมาแต่งตัวจังจะเช้าๆใส่คงเครื่องหอมเตรียมตัวจะไปสูเราวันกิยมรักจะเกิดขึ้นในวันศุกร์เกิดขึ้นแบบกระทนหันและฉับพลันขณะนี้เทน้ำใส่แก้วย่างๆไม่ทันดื่ ม, ลมแล้วปิยมรักแล้วไว้มากตักเดียวเลยใข่สอยครับอัมรเล่าให้เราฟัง ผ่านคนบีอัลกุรอานโดยท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลอะยบะสัลลัมครับคถามข้อสุดท้ายอาจารย์รบกวนช่วยอาจารย์ช่วยเรียงลำดับเหตุการณ์ที่จะเกิดในวันพรงนี้ครับเรื่องของสัญญาต่างๆเข่าพให้นักศึกษาได้ฟังเลยครับผมอเนี่ยมันมันมันมันมันต้องสอนเฉพาะสัก3าชั่วโมงกันก็สวยงานนี้นะครับ อันนี้มันมันมีสัญญาณอยู่สองอย่างสัญญาณเล็กกับสัญญาณใหญ่สัญญาณใหญ่นี่ยังยังยังไม่เกิด น, นะใกล้ใกล้จะเกิดแล้วสัญญาณเล็กมาก่อนมันต้องเบิดเฉพาะเลยนะสัญญาณวันเกี่ยมมีอะไรบ้างจัดอบรมสักครึ่งวันเนี่ยล้ำนะตั้งแต่แปดโมงเ้าถึงเที่ยงเลยผมจะเอาท่านจะทำเชีดมาให้ดูกระดาษห้ามเลยนี่เลยอ๋อจบละคืออาจารย์เคยทําไปสอน ที่สันนิชชนครูเคยเก็บชิดไว้เหมือนกันรู้สึกว่า28หรือ30โคก็อาจารย์เดี๋ยวทำชิดไว้เลยนะก็ดเดี๋ยวเรานั่นกันต่ตอ ว, ว่าพี่น้องเราจากคนิีสันนิชชนผู้เข้ารับพิสาจน์ดงนั้นที่ปัญหาธรมอดีใช่ไหม <S <S